ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพระศาสดาบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยคือยกสายปฏิจขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้าเราเนี่ยปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคือคลายความพอใจเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชาติชลามรณะนี่ชื่อว่า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำแล้วก็ไล่ขึ้นไปปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งพบนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำอย่างเราจเจริญอาณาปานสติแล้วเราพยายามละนันทิเนี่ยก็เป็นการละขาดซึ่งพบละซึ่งชาตินี่ก็คือปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งพบแห่งชาติ ชาลาโมนนะก็ชื่อว่าเขากำลังปฏิบัติเพื่ อ, อปฏิบัติเพื่อทสมควรแก่ธรรมอย่างนี้ไม่ไม่ได้กำหนดที่เวลามครับว่าสมควรทก่นั้นควรจะปฏิบัติวันนี้เท่านี้เท่า น, านี้อย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ในอันนี้ไม่ไม่ได้บอกเรื่องเงื่อนของเวลาในกรณีเรื่องเงื่อนของเวลาเนี่ยก็จะเป ได้กับเรื่องของชายกเครืยานุโยกว่าวันทั้งวันให้ทำอะไรบ้างก็ให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิตั้งแต่หลังฉันทร์ไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกหองราตรีสี่ทุ่มแล้วก็ยามสองนอนยามสามตื่นแล้วก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิมาจนเช้านี่ถ้าจะแบ่งสัด ส, ส่วนก็เป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ปรน ความเพี่ยนทำเป็นเครื่องตื่นนะ พระอาจาย์ครับจะถามเรื่องปฏิจจสมุทบาทนะครับเออเมื่อก่อนตอ น, ตอ น, ต, อนตอนทานอาหารก็ได้คุยกันกับเพื่อนถ่ายทำเลยน ะ, ะก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ <c oughs> คือตรงสายปฏิจจสมุทบาทเนะะี้ยคือในในระหว่างปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเกิดยงกกับวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดจํานวนมหาศาลอืา <c oughs> หลายๆรอบใช่ไหมฮะทีนี้เราเรานับอย่างนี้ได้ไหมฮะอีกอย่างนึงคือว่าจะตั้งแต่เกิด จนตายเนี่ยก็เป็นหนึ่งรอบปฏิจจสมุตบาทอีกหนึ่งรอบใหญ่แล้วก็ในสังแล้วก็ในสังสารวัตตั้งแต่เรายังเป็น <c oughs> สัตว์ตนังจนไปถึงวิมุตตหรือพลเมอวิมุตตก็เป็นอีกอีกหนึ่งสายใหญ่ๆผมคิดอังนี้ถูกไหมครับอวิชาเกิดอวิชาดับคือจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะ ก็คือคือเมื่อวิชาเกิดขึ้นก็คื อ, ค อ, คอหลุดเข้ามาในสังสารวัตและวิชาดับไปนะดับแบบดับสนิทนะอ่าก็สังสารวัตจบสิ้นนะก็คือรอบเดียวอ่ะแต่ท่านี้ปฏิจจสุบานเนี่ยถ้าหนึ่งรอบแบบยมบอกตั้งแต่ร่างกายเราเกิดมาจนทั้งตายเนี่ยเรามองในมุมของลูกประธาตอย่างเดียวแต่จริงๆวิญญาณเข้าไปเกาะเวทนาสัญญาสังการนมามธรรมอีก3มตัว ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยแต่ละนาทีเนี่ยโอ้โหมันเกิดภพชาติชรา ม, มัานะไม่รู้เท่าไหร่มันก็มีย่อยย่อยย่อยย่อยของมันอีกมากมาย ค, ม ค, คิดอย่างนี้ก็ถูกใช่ไหมว่ารอบใหญ่แล้วก็อีกรอบตั้งแต่ตั้งแต่เป็นสัตตานังจนหลุดไปเข้าสู่วิ ม, <จน S 2> มุตจนสัตตานังหายไปจะพูดอย่างนั้นก็ได้มัอน <laughs> <laughs> น่ า, นาจะพอนนลง <laughs> ได้อ <laughs> ข อ, ขอพบพระคุณครับ คิดกว้างดีนะแทงเราหลุดเข้ามากลับ อ, ออกไปนะออกอาาครับก็จะคล้ายๆกับมันก็จะเป็นแค่กรอบใหญ่เฉยๆว่าทังสังสารวัตรเนี่ยคือปฏิจจสมุปาทั้งหมดแต่ว่ามันก็จะมีย่อยไปเรื่อยๆพมทุกชาติทุกจิตทุกขันทุกสิ่ทุกอย่างมันอธิบายได้โดยประเด็๋ยวส่วนมันจะลึกมากมันอธิบายได้ทุกโรทุก ทั้งโลกประทานทั้งสัมสารวัตรมีหมดชาตินี้หรือว่าช่วขนาจิตเป็นไปได้หมดทุกอย่างมันเป็นปฏิจจสมุปาททั้งหมดท่านตรัสวาครอบคุมหมดแล้วแต่วิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังการทั้งหลายทเลยตั้งแต่หลุดเข้ามาในระบบของปฏิจจคนั่นแหละอย่างเงี้ยจะเห็นภาพกว้างนะเห็นภาพรวมทั้งหมด อาจารย์ครับขอโอกาสครับประเดีว่าในในเรื่องของอนาปนานสติสูตรนะครับที่ว่าธรรมวิจยะนะครับสัมโพชงตอนที่ที่เจริญ อ, อนาปนานสติทําให้สติปฐานทั้งสี่บริบูรณ์พอสติปฐานทั้งสี่ทำให้โพชงเจ็ดบริบูรณ์ตรงที่ว่าธรรมวิจยะสัมโพชงนะครับว่าตรงเนี้จะเหมือนเหมือนหรือคนตัวเดียวกันกันกบวิตกวิจารในปฐมฌานหรือเปล่าครับอ เจะว่าเหมือนก็ได้มันมันกว้างกว่าตัวธรรมะปิญญะในวออก ว, ว้างกว้างกว่าแต่จะเหมือนลักษณะโอเวอร์แล็คกันใช่เพราะว่าวิตกวิจารณเนี่ยถ้าเราวิตกวิจารเสร็จเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นก็หลุดพ้นได้น ะ, ะเพราะมันหลุดพ้นได้ตั้งแต่ปฐมฌานซึ่งคนเห็นเกิดดับไหมเห็นเกิดดับอาจจะเห็นครั้งเดียวแล้วหลุดพ้นก็ได้แล้วแต่อินทรีย์ครับหรือว่าต้องหลายๆครั้ง อย่างนี้อ่านั้นระหว่างที่มีการเปลี่ยนแปลงการเกิดดับเนี่ยมันผ่านวิมุตตลอดนะดังนั้นทุกคนทุกขนาเนี่ยมันมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นได้ตลอดอยู่ที่อินทรีย์เขาพร้อมเมื่อไหร่นี่แล้วอย่างนี้ อ, อุเบกขาสัมโพชฌงเทียบเทียบเท่าได้กับฌานสี่หรือเปล่าครับอ่าไม่อ่ะอุเบกขาสัมโพชฌงมันสมาธิทุกระดับเลยอากาสาวิญญาอากินก็ต้องมีอุเบกขาสามโพชฌง ขณะที่กําลังจะดุดพ้นเนี่ยแล้วเขาใช้สมาธิขั้นไหนล่ะอาจจะต่ำกว่าฌานสี่อาจจะเหนือฌานสีก็ได้จิตตั้งมัน่นพระพจ้าบอกจิตตั้งมัน่นซึ่งจะเป็นระดับใดก็ได้แล้วเข้าไปเฝ้าดูจิตตั้งมัน่นเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตตั้งมัน่นถ้าเขาอยู่อากาสาเขาก็ต้องเข้าไปดูอากาสาว่ายังมีอะไรเกิดดับอีกไหมอย่างเนี้ครับอ่าดูอีกคําถามนึงนะครับพราจ คืออาการคำว่ากามกับกามาคุณนี่แตก ต, ต่างกันยังไงครับพระเจ้าจะแยกกันตัวการเนี่ยคือความพอใจไปตามอำนาจความคิดนะสังกัดป ร, ราคะแต่ความคิดเนี่ยมาจาก5อายตนะคือการมาคุณตากระทบลูกหูกระทบเสียงแล้วเกิดการปรุงแต่งคิดนึกขึ้นมาแล้วเราพอใจในความคิด ที่ปลุมแต่งขึ้นมาเนี่ยซึ่งเกิดมาจากกา ร, รคุญหน้าการพอใจในความคิดเนี่ยเรียกว่ากามพรนะพุทธเจ้าใช้คำบัญญัติอย่างนี้ว่าความกาหนัดไปตามอำนาจความตรึตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราความกาหนัดคือพอใจไปตามอานาจความตรดตรึกคือคิดนึกขึ้นมาเนี่ยนะตรงนี้เรียกสังกัประราคะนั่นแหละคือกามของคนเรา อารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกหาใช่กามไม่อารมณ์อันวิจิตคือรูปสวยเสียงเพาะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่น่าพอใจไม่ใช่กามหาใช่กามไม่พระองค์ก็ตรัสย้ำอีกความกำหนัดไปตามอำนาจความตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตในโลกก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นเหมือนดอกไม้สวย ลมเย็นๆพัดสบายดวงอาทิตย์ขึ้นตกสวยๆนะ ม, นมันมันมีอยู่ตามภาษาของมันเท่านั้นนะบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นคือความพอใจในอารมณ์อันวิจิตอย่างนี้ขอบคุณครับตัวอารมณ์อันวิจิตเนี่ยเรียกกรมาคุณนะครับขอการรัอาจารย์ครับ ธรรมะออสติปัฏฐานนะครับฐานสุดท้ายครับธรรมานุปัสสนาสระฐานตรงที่พู้เจ้าจะบอกว่าให้สังเกตความจางคลายดับไปสังเกตความสลัดคืนหายใจเข้าสลัดคืนหายใจออกออืตรงนี้มันจะต่างกับตรงโวสักคะก็คือว่าไอ้ตรงเนี้ยมันสลัดคืนมันต้องสลัดหลายทีสลัดสลัดสลัดสลัดแต่ตรงโวสักขะนี่มันทีสุดท้ายใช่ไหมครับใช่อ๋อโอเค นั้นวสักข่าเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้วิชาวิมุตปรากฏคือมันจุดสุดท้ายแล้วที่จะปรากฏขึน้น อ, อาจารย์ครับขอโอกาสครับ ยังมีความเข้าใจยังไม่ไม่ถ่องแท้เกี่ยวกับเรื่องปฏิหารนะฮะสําสหรับปฏิหารที่ว่ามีสามชนิดคืออิทธิปฏิหารกับอาเทศนาปฏิหารนั่นส่วนมากปู้ดชนทั่วไปก็จะสนใจสองสองสองปฏิหารอันนี้น ะ, ะสําหรับอันที่สามคืออนุสาสนีย์ปฏิหารเนะี่ยผมยังไม่ไม่เครียดนะอยากให้พระอาจารย์ด้วยช่วยขยายความว่าที่ว่าอนุสาสนีย์ปฏิหารที่ว่าท่านจงท่านจงตึกอย่างนี้อย่างนี้อย่าตึกอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ย ท่านหมขยายความตรงนี้ว่ามันจะหมายความว่าอย่างให้ตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้ก็คืออย่างให้ตรึกในเรื่องของอาสุพะอาหารเป็นปฏิกูลคือให้คิดอย่างนี้อย่าคิดอย่างนี้คือการพยาบาทเปรียบเบียนอย่าไปคิดนะจงทำไว้ในใจอย่างนี้อย่าไปทำไว้ในใจอย่างนี้จงทำไว้ในใจอย่างนี้คืออยู่กระลมหายใจนะอย่าไปทาไว้ในใจอย่างนี้นะอ่า เรื่องอกุศลทั้งหลายไปคิดอดีตไปคิดอนาคตอย่าไปทไําให้ใจตรงนั้นอย่าเอาจิตผูกกับอารมณ์นั้นเอาผูกกับอารมณ์นี้เสาเขื่อนเสาหลักลมหายใจนะท่านจงละสิ่งนี้สิ่งนี้เสียแล้วเข้าถึงสิ่งสิ่งนี้แล้วอะรอยู่อย่างนี้ะละเสียนะตรงนี้นิวรณ์ห้าการยปบาดเบียดเบียนนะการฆ่าการขโมยการประพฤติผิดในการมการพูดโกหกการดื่มสุราละสิ่งเหล่านี้เสีย เข้าถึงสิ่งสิ่งนี้นะชาญที่หน่งชาญที่สองชาที่3ามชาที่4อย่างนี้หรือสมาสมาที่อันเป็นอริยะอย่างนี้นี่คืออนุสาสนีปทิหารพิกษุนนั้นย่อมสั่งสอนอย่างนี้ว่าท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้จงคิดอย่างนี้อย่าคิดอย่างนี้จงทําไว้ในใจอย่างนี้อย่าทําไว้ในใจอย่างนี้อย่างนี้นี่เรียกว่าอนุสาสนีปทิหารซึ่งพิกษุนนั้นเนี่ยสั่งสอนเนี่ยตามใครตามตถาคต ดังนั้นกุล <c oughs> บุตรผู้มีศรัทธาเนี่ยเมื่อฟังแล้วเนี่ยนะก็จะเกิดศรัทธาเกิดความเข้าใจนะแล้วก็มองออกว่าคารวะคับแค่เป็นทางมาแห่งทุรีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสั่งที่ขันแล้วเนี่ยโอ้โหทำได้ยากนะก็เลยคิดว่าชะไหนเลยเราจะเพ่งปมผมและหนวดคองผ้ากาสายะออกจากเรือนบุเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิ ด้วยอนุสาสนีปฏิหารตรงนี้ทำให้เขาเนี่ยเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้อย่างนี้หรือมีการประพฤติปฏิบัติตามที่ภิกษุนั้นเนี่ยถ่ายทอดจากตถาคตเป็นทายาทแห่งธรรมตถาคตถ่ายทอดมาบอกมาแล้วเขาก็ประพฤติปฏิบัติตาม เ, เช่นเป็นคารวะชั้นเลิศบ้างาาเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงบ้าง รู้จักอัสธาลดอร่อยของขันหรู้จักอาทถินวะโทษรู้จักนิสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากมันบางอย่างเนี้ยเขาก็มีการประพฤติปฏิบัติที่ดีต่อมาซึ่งทําให้เขาพ้นทุกข์ได้นั่นเองนะเพลงสามประโยคที่ท่านตัดเนี่ฮะว่ารวมหมดทั้งหมดมันล็กซึ่งเนี่ยใช่มันลึกซึ่งก็คือคำคำของตถาคตทั้งหมดนั่นคืออนุสาสนีปฏิยานคือคําว่าสาสนีเนี่ย คือแปลว่าคำพูดคำพูดที่ออกจากปากนะคำพูดที่ออกจากปากเนี่ยบาลีจะใช้คำว่าศาสนีหรือศาสนงหรือก็คือคำว่าศาสนานั่นเองดังนั้นศาสนาก็คือคำพูดที่ออกจากปากนะดังนั้นถ้าคำพูดออกจากปากของภาลัทธวชาชก็คือศาสนีของภาลัทธวาชศาสนาของเจ้าลัทธิภาลัทธวาชคำพูดที่ออกจากปากของสันชัยปริภาชก เขาก็คือศาสดานะเราก็เป็นสาวกของสันชัยปลิศพาชกแต่เราเป็นตถาคตาสาวกโกสาวกของตถาคตเราก็คือฟังสาวกแปลว่าผู้ฟังฟังคําของตถาคตออกคําที่ออกจากปากตถาคตพระเจ้าจึงบอกว่าพวกเธอทั้งหลายเนี่ยเป็นโอรสเป็นบุตรน ะ, อ, ะอันเกิดจากปากตถาคตน ะ, ะตถาคตใช้ปากเนี่ยพูดคําพูดออกไป ศาสนีศาสนนังนะแล้วก็เขาฟังจำไข้ควรนำไปประพฤติปฏิบัติหลุดพ้นอย่างนี้น่อันะนี้คือสารนุศาสนีปฏิหารที่ผู้เจ้าผมใช้ใชเปลี่ยนจิตใจของคนใช่ไจากเราพื้นทางกายวาจ า, จาใจที่ไม่ดีให้มาประพฤติดีนะใช่ล้างกรรมทั้งหมดได้ แบบที่ <clears throat> ท่าน tså, ท่านท่านบอกพูดกับองคุลิมาลก<ช>็เห<ๆ>มือนกันก็ใช้อนุสาสนีปฏิหารใช่คําไม่ได้ชิดไม่ได้ใช้ฤทธิ์แตไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ใฤทธิใใ์ใช้วิ่งหนีอะไรไม่ใช่นะอรักับองค์คุลิมาลเนี่ยก็ใช้ฤทธิ์ด้วยแต่ตัวฤทธิ์นี่มันไม่เปลี่ยนใจนะตัวเปลี่ยนใจคืออนุสาสนีปฏิหารเนีน่ยคือคําพูดอย่างนี้อแต่ยังตัวฤทธิ์หรือปฏิหารหรืออาเทศนาปฏิหารบางอย่างนี่ พระองค์ก็ใช้กับกุลบุตรบางคนเพราะพระองค์รู้ความยิ่งละหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายว่าคนบางคนในโลกนี้ยจะมีศรัทธาเพราะเหตุนี้แต่เนื่องจากว่าสาวกเนี่ยไม่มีไม่มีมมมมทศพลยานตรงนี้คือทศพลยาณเนี่ยญาณของผู้เจ้าเนี่ยจะมีสิบอย่างบางอย่างสาวกมีบางอย่างสาวกไม่มีสิ่งที่ไม่มีเคืนเนี่ย การรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลเนี่ยสาวกไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ย <c oughs> สาวกจะมาใช้อิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทสนาปฏิหารเนี่ยนะอันนี้ผู้เจ้าไม่เลยไม่ได้อนุญาตไว้ดังนั้นหน้าที่สาวกเนี่ยใช้อันุสาสนีปฏิหารเท่านั้ น, นแต่ผู้เจ้าเนี่ยใช้เพราะพระองค์รู้ว่าอินทรีย์บางคนเนี่ยต้องอย่างนี้นะ แต่จะหลุดพ้นก็ด้วยอนุสาสนีไม่ใช่หลุดพ้นด้วยอิทธิปัฏิหารหรืออเทศนาปฏิหารตรงนั้นดึงให้มีศรัทธาศรัทธาแล้วเอาอนุสาสนีเข้าไปศรัทธาแล้วเอาคำผิดเข้าไปก็หลงผิดอีกน ะ, ะคำต้องถูกต้องนี่ในอนุสาสนีปฏิหารหลังจากที่ได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยนะก็ไปบวชนะฮะออกไปออกทิ้งเลื่อนไป แต่พวกที่เป็นคลุ่ยหัดอยู่ก็ยังยังก็ยังปฏิบัติตามหน้าที่ของขลุ่ยหัดก็หลุดพ้นได้เหมือนกันใช่ไหมได้หลุดพ้นได้ทั้งคลรว่างแล้วก็นักบวชปฏิบัติเหมือนกัน<ม>ใช่ไหมอย่างแต่ว่านักบวชนี่โอกาสโอกา ส, โอกาสว่างโอกาสกที่จะทำง่ายกว่าใช่นักบวชมีโอกาสว่างมากกว่าแล้วสุดท้ายของของพุทธวัจนะนี้ก็คือ ท่านเปรียบกับว่าเหมือนยืนอยู่บนไหล่เขามองเห็นน้ําใสอะไรใช่หมครับใช่นั่นคือพปลรหันอุปมาลักษณะของปลาหันผู้หลุดพ้นเนี่ยจะเปรียบเหมือนยืนอยู่บนไหล่เขาที่เห็นข่วงน้ําใสตามไหล่เขาเนี่ยเห็นปลาแหวกว่ายอยู่บ้างเห็นกุ้งหอยแหวกว่ายอยู่บ้างเห็นกรวดเห็นอะไรเนี่ยอันนี้ผมว่าสําเร็จเป็นพระ่าหันแล้วใช่มับสำเร็จเป็นท่าแล้วใช่ เปเหมือนกับหันกลับมามองสังสารวัต ท, ทั้งระบบเนี่ยได้วาตาุทั้งหลายเนี่ยเวียนว่าอยู่ในสังสารวัตนะขอบคุณครับซึ่งอุปมาเนี่ยจะเหมือนกับที่พระองค์ตรัสในอีกพระสูตรหนึ่งว่าอนิพพานเนี่ยเปรียบเหมือนบุรุษนั่งอยู่ในภูมิภาคอันน่าลื่นลม จะสอนรับกันนะขอโอกาสครับอาจารย์คื อ, อผมเคยฟังพระอาจารย์กิตติวุธโธ ท, ที่อธิบายถึงเรื่องของ อ, อินสีทั้งห่าว่ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ถ้าหากว่าศรัทธาแก่กล้าเกินไปจะเกิดความงมงายต้องต้องบาลานซ์กับปัญญาแล้วก็วิริยะถ้าแก่กล้าเกินไปก็จะฟุง้งซ่านสมาธิถ้าแก่กล้าเกินไปก็จะขี้เกียจก็ลเลยต้องบาลานซ์กันอย่างนี้อย่างนี้ท่านสาธยายอย่างนี้ถูกไหมครับท่านต้องยกขระสูตรมานะถ้าท่านไม่ได้ยกขระสูตรมาก็แสดงท่านพูดเองนะอาจจะพูดตามประสบการณ์หรือความนึกคิดของตัวเอง แต่ถ้าไม่มีพุทธวจนาก็ก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มาตรฐานนะนะมันอาจจะมีรูร่วงมีช่องโหว่มีข้อผิดพลาดได้น ะ, นะอะาจารยครับแล้วถ้าเกิดสมมุติเราอยากจะเผยแพร่ อ, อ, อย่าง ส, สิบสิบเล่มจากที่เป็นพุทธวจนานะครัสำหรับผู้ใหม่นี่ควรจะแนะนำหนังสือเล่มไหนก่อนครับก็เนี่ยพวกปฐมธรรมได้อน า, าปา เอาไปได้ฝึกปฏิบัติก็ตัวอินรีสองวอนก็ได้นะหรือมัควิธีที่ง่ายาได้หมดอ่ะเพราะว่าในนั้นมันก็จะมีหลายข้นสูตอ่ะนะหรือประสูตรง่ายๆจริ ง, ยยงนเนี่ยในหนังสือก้าวย่างอย่างพุท ธ, ธะตามรอยธรรมสะสมธรรมมัควิธีที่ง่ายพวกนี้หรือคารวะเช่นเลิศอย่างเนี้ย Uh huh. จริงๆก็ใช้ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะใช่ใช่ใชมันจะมีมีง่ายมียากอยู่ในนั้นครั uh huh. ขอบคุณครับท่านบุตรการขอโอกาสครับ uh huh. คืออยากทราบนิดนึงนะครับเพราะว่าที่สุดแล้ว uh huh. ออรูปที่เราเห็นทั้งหมดรูปกายมนุษยที่เราเห็นทั้งหมดที่สุดแล้วสายชีวิตเป็นสายชีพเดียวหรือเปล่า สายชีวิตของรูปมนุษย์เป็นสายชีพเดียวไหมก็คือเรียกว่าตายแล้วศูนย์จบเลยทีเดียวไม่มีการสืบต่ออีกอย่างนี้หรือเปล่าเอาไม่ใช่ครับหมายความว่าความทิดเป็นชีวิตความที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้าาใช่เป็นสายชีพเดียวกันหรือไม่คือเหมือนที่ว่าประเด็นว่าคือคือคือถ้าถ้าทุกสิ่งไม่ใช่อา้าทุกสิ่งไม่เป็น ทุกสิ่งเป็นเพียงอากาศสิ่งที่เป็นอากาศเนี่ยนะครับ ท, ที่ที่ผมกําลังหน่ยหมายควา ม, า ค, วามความหมายที่จะสื่อไปถึงเนี่ก็คือว่ามนุษย์ที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วสายชีวิตเนี่ยเป็นสายคือถ้าถ้าเปรียบเป็นมันก็คือผมความรู้ผมเียอาจจะทางทางทางเป็นปลาอยู่ที่ผอาจจะน้ำก้นแก้วนะครับแต่ถ้าถ้ า, ถ, า, ถ, า, ถ, า, ถ, าถ้าในส่วนหนึ่งที่เรา ในเรื่องของการภาวนาก็ <c oughs> พอที่จะทำได้ <c oughs> แต่ <c oughs> แทีนี้เวลาบางครั้ง เ, เวลาที่ทำํำทําสมาธิอยู่บ <c oughs> าครั้งมจะเหมือนกับว่าจะจับก็ไม่จับพอจับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอรารมณ์ต่างแต่เวลาออกมาจ เ, าเวลาเราเมลพิจารณามันก็จะเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆว่าทุกสิ่งทุกมวลเป็นสิ่งเดียวมีความรู้สึกว่า ชีพนั้นคือชีพเดียวแต่แรกออกเป็นชีวิตชีวิตที่มันเป็นคือเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นามุดมนุษย์ษษทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นแทบถึงคนเดียวมีความเข้าใจความรู้สึกว่าอย่างนั้นเยขอคําคแนะนำครับในสังฆตธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตเลยถ้าจะพูดลักษณะเหมือนชีวิตเหมือนกับว่าความเป็นเราเนะี่ยอัตตาอย่างเนี้ยตัวตนนะคือมันมันไม่ใช่เลย จริงๆทุกอย่างขันท่าเนี่ยจะเหมือนกับก้อนหินสักก้อนแต่มันเป็นก้อนหินที่เป็นนา ม, มาธรรมอย่างเนี้ยคือมันไม่ใช่ชีวิตมันเป็นท่าตามธรรมชาติสิ่งที่เป็นชีวิตจริงๆเนี่ยคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่กําลังมีอวิชาแล้วเข้ามาหลงยึดขันท่าตัวนเนี้ยเนี่ยถ้าจะพูดว่าชีวิตแบบภาษาโลกโลกธรรมดาว่าอันเนี้ยที่เวียนว่ายในสังสารวัตรที่แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตที่ไม่ตายสักที แต่อสัยรูปเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆเดี๋ยวเทวดาเดี๋ยวเป็นมนุษย์เดี๋ยวเปรตวิสัยเดี๋ยวสัตว์นรกแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยเป็นเพียงธาตุตามธรรมาชาติมหาพุทธธาตสี่กายสําเร็จด้วยใจการสําเร็จด้วยสัญญาเกิดขึ้นมาแตกสลายไปไปเกาะกายใหม่เกิดขึ้นมาแตกสลายร0อยปีไปเป็นเทวดาไปอีกแสนปีตายอย่างนนเนี้ยแต่สัตว์เนี่ยอยู่ตลอดนะพระเจ้าจึงบอกสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตันหาเป็นเครื่องผูก แล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตรไอ้ตัวเนี้ยแล่นไปท่องเที่ยวไปดังนั้นขันท่านี้ไม่ใช่ชีวิตเลยสักอันคือคือผมเองอาจจะใช้บาลีไม่ถูกแต่ก็ได้ได้ส่งคําถามมาทางทางทางอีเมลไว้ว่าคือที่สุดเนี่ยไม่มีไม่ใช่ไม่มีไม่มีอะไรเป็นของไม่มไม่ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเป็นตัวตนอมีเพียงสิ่งก็คือขันท่าห้าแล้วก็ท่าทั้งสี่คือแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแลก คือเหมือนกับสร้างความหลอกลวงให้ให้ให้เหมือนกับจิตจิตหนึ่ง อ, อแต่ตอนนี้เนี่ยที่คือที่ผมกําลังถามสอบ ถ, ถามอยู่<า>เนี่ยก็คือว่าทั้งหมดทั้งโกงทั้งหลายที่ไม่จริงไม่ใช่ไม่มีคือมันมันเป็นมันเหมือนกับคือผมอธิบายไม่ถูกแต่ว่าผมอาจจะเรียกด้วยด้วยด้วยบรรจัตบรรจัตทําด้วยตัวเองว่าชีพแล้วกันนะครับอคือทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับถ้าทุกสิ่งมันเป็นอากาศทุกสิ่งเมื่อไม่มีไม่จริงไม่ใช่ แล้วก็มีเพียงขันธ์แล้วก็ธาตุสี่นะครับรวมตัวกันก็แลกกันไปหลอกกันไปหลอกกันมารวมกันไปรวมกันมาสร้างเป็นธาตุสร้างเป็นภารมัง์ต่างๆนะครับก็เชื่อที่ว่าไอ้สิ่งที่มันไม่ดูไม่ใช่ที่มันเป็นที่เรารู้สึกว่าตัวเราหรือว่าจะเรียกเป็นสัตวาน้ำก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นี้คือผมผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกเบ็นอร่อยคือว่ามันเหมือนคล้ายๆว่ามันคล้ายๆว่า ผ้าผ mm. ืนหนึ 1, ่งนะครับผ้าผืนหนึ่งเนี่ยมันโยงใหญ่ผ้า okay? น really ีผ้าอยู <Okay. S 2> <Ooh. S 1> ่ผืนหนึ่งแล้วผ้าผืนนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ก็แตกส่วนหนึ่งตรงนี้ก็แตกส่วนหนึ่งตรงนี้ก็แตกส่วนหนึ่งตรงนี้ก็แตกไปเป็นชีวิตหนึ่งตรงนี้ก็แตกไปเป็นชีวิตหนึ่งมาเป็นรูปมาเป็นรูปนี้แล้วก็ทําให้มีมีมีธาตุสี่ประกอบขึ้นมาเป็นกายมนุษย์แล้วก็มีขันไหลาผ่านเข้าผ่นออกอยู่อยู่ตลอดเวลา ตอนนี้เนี่ยคือไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเมันเป็นชีวิตเดียวมันเป็นชีพเดียวคือชีพชีวิตชีพชีวิตใช่หรือเปล่าครับอาจารย์ตรงนี้คื อ, mm hmm. ค, อคือถ้าสมมติว่ามนุษย์เนี่ยเราเราเราอยู่ด้วยพลังงานผมอธิบายไม่ถูกจริงๆนะ mm hmm. ต้องตาม mm hmm. ตาม อ, uh huh. อ, อไปครับ uh huh. คืออย่างพระพุทธองค์วิธีการปฏิบัติอ uh huh. าณาปานาสติเรากาหนดให้รูร้ลม คือผมก็จะจับใจความตรงนี้เปลนาพิจารณา uh huh. อว่าลมเนี่ยคือชีพอ uh huh. ลมเป็นชีวิตเมื่อไหร่ที่ขาดลมทุกสิ่งก็ดับการจะถูกประหารการจะถูกหรือกการจะตายก็เป็นอาการช็อกเกรงของ uh huh. ขอ ง, ของช็อกเกรงของอวัยวะภายใน uh huh. ทําให้มันไม่รับลมเข้าไป uh huh. ตอนนี้ก็เวลาเวลาปฏิบัติสมาธิก็จะเห็นเป็นคลื่นอากาศเป็นคลื่นอากาศที่ที่พอสัมผัสแตะมันก็ดับ ก็จะรู้ตัวเองบ้ากอารมณ์มันไปสัมผัสอีกแล้วอารมณ์มันไปสัมผัสอีกล้คือมันเป็นคล้อยตามมันแต่เวลาดูตามเราก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดมันคืออะไรแต่บางครั้งบางครั้งเราก็จะรู้ว่าถ้าเปรียบที่เป็นการเดินผ่านหน้าบ้านหน้าบ้านคนเราก็จะรู้บ้านนี้คือบ้านใคยบ้านนี้คือบ้านใคยบ้านนี้คือบ้านไครแต่เราก็อาจจะไม่ได้สนใจมันไม่ได้จับนี่แหละคือความยากในการบัญญัติเนี่ยเอะ ซาวงนี่จึงบัญญัติไม่ได้เพราะไม่ใช่สัพพัญยูไม่ได้รู้ธรรมธาตุทั่วโลกธาตุดังนั้นหน้าที่โยมเนี่ยคือกลับมาสู่บัญญัติของพระศ า, ศาสดาโยมจะเข้าใจทั้งหมดเลยแล้วโยมจะเข้าใจไปตามลําดับลําดับลําดับไปเรื่อยเเพราะมีบัญญัติสับที่แน่นอนอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรเราจะไม่งงแต่ถ้าเราจะไปะนึกขึ้นเองเนี่ยมันนึกไม่ออกและมันก็จะสับสนเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกเดินตาม เดินตามศึกษาศึกษาตามลําดับปฏิบัติตามลําดับน่ะพิจณาไปตามลําดับแล้วเราจะไม่สับสนไงคําที่บอกเอ๊ะไม่รู้จะเรียกอะไรมีผู้เจ้ามีเรียกมีหมดทั่วโลกธาตเนี่ยผู้เจ้าบัญญัตินี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรแล้วมันจะลิงก์กันเชื่อมกันเชื่อมกันเชื่อมกันเชื่อมกันไปเรื่อยๆจนสร้างความเข้าใจให้คนคนหนึ่งในระบบทั่วโลกทาตเนี่ยได้นะแต่ถ้าเราเริ่มจะคิดเองอะไรมันจะยากมันจะเป็นเรื่องยากมากนะ่ะ อ่าตรงเนี้ยและถ้าเราใช้ศัพท์ของผู้เจ้าเนี่ยโยมพูดมาปุ๊บอาตมาก็จะเข้าใจนะแล้วโยมก็จะเข้าใจแต่ถ้าถ้าถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยคือหนึ่งอาตมาก็จะไม่เข้าใจคนอื่นก็จะไม่เข้าใจแล้วก็ถ้าถ่ายทอดไปต่างคนต่างก็จะมีบัญญัติของตัวเองโยมบัญญัติว่าชีพอีกคนบัญญัติชีวิตนะผู้เจ้าก็เลยบอกว่าชีพก็อันนั้นชีวะก็อันนั้นสลีละก็อันนั้น ชีวิตก็อันหนึ่งนะสลีละก็อันหนึ่งอย่างเงี้ยอาจจะมีคำถามหรือมีเรื่องราวที่พระเจ้าบอกว่าอ่ะอันเนี้ยเราจะไม่พยากรอย่างเงี้ยเราจะไม่พยากรดังนั้นการบัญญัติปัญญติเนี่ยนะมีขึ้นเพราะอะไรเพราะการทำงานของวิญญาณกระหนามลูกอย่างี้คลองแห่งการเรียกคลองแห่งการพูดจาคนจะเรียกกันเนี่ยคนจะพูดจากันคนจะบัญญัติเรื่องอะไรกันเนี่ย ขึ้นมาได้เพราะวิญญาณกับนามรูปแล้ววิญญาณกับนามรูปใครบัญญัติคุณเจ้าบัญญัติอีกซึ่งคนก็จะไปบัญญัติวิญญาณว่าจิตบ้านใจบ้างมโนบ้างอะไรอย่างนี้ผู้เจ้าก็จะมาสรุปจิตมตโนวิญญาณอ่นเดียวกันนี่แหละเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้ <c oughs> ไม่ใช่ชีวิตนะเป็นธาตุตามธรรมาชาติไม่รู้เรื่องอะไรแต่มันเข้าไปรู้ได้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุ เราเล่นเข้าใจระบบล้เนี่ยคือปฏิจจสุบัติพระเจ้ากําลังอธิบายระบบทั่วโลกธาตุด้นนี้สังสารวัตด้านนี้ว่าโภมเทวดามนุษย์นรกกัมเดชานปริวิสัยเนี่ยมันมีมันมีธรรมชาติอะไรที่มันกําลังยึดถืออยู่และใครเป็นคนเข้าไปยึดผู้เข้าไปยึดเรียกอะไรนะผู้เข้าไปยึดมีคุณสมบัติอย่างไรเมื่อหมดความคิดแล้วเขาจะมีคุณสมบัติอย่างไรอย่างนี้อ่าก็จะมี สับแสงไว้หมดเรียบร้อยก็ก็อย่างที่นำไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนำทุกคนทั่วจริงๆครับก็เวลาไปตามวัดเราอยากจะเกี่ยวกับพระตาทุกคนจะเจอสภาพแบบนี้แหละครับเราไปดูเราจะหาอาหารก็คุทเจ้ไม่อยู่นะก็คือคือไม่ให้ศึกษาวันนี้ก็เยได้ได้มีโอกาสกาก็าเสนอปเื่จสอนลูกด้วยถ้าโดนปกติแล้วเนี่ยก็คือ เวลาได้สอนลูกเราก็พยายามจะสอนอาการจะสอนเกี <treating eds> ่ยวกบพี่ก็จะได้บอกกล่าวอก็จะได้พูดถึงว่าในสิสองสิ่งที่ประทะกันเราพิจารณาตกมือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเกิดขึ้นจากจากสิ่งที่มันสองสิ่งมากระทะกันแล้วก็เป็นฮาตรมเป็นอาการออืก็ได้พยายามสอนอยู่นะฮะนนั้งอยู่แล้วก็แต่ก็คือเราไม่ลื้อผมเองช้าลงช้าลงช้าลงช้าลงจนจะหยุด ว่า uh huh. พอมันจะหยุดก็เหมือนกับว่ารับอร่อยไม่ได้แล้วอะฮ uh huh. ก็พอเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องมามามาทบทวนทุกครั้งว่าพอเราเดินตามมันก็กลายเป็นอารมณ์พออารมณ์มันก็ไปสร้างสร้างมันมันสังขารก็ไปเริ่มสร้างปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาปคุ้งขึ้นมาคิดเองว่าคิดเองว่าคาดเองว่าเดาเองว่า แต่เวลาเวลาสมบุกเนี่มันก็คือไม่มีไม่รู้ไม่จริงไม่เห็นไม่เป็นไม่มีอะไรสักอย่างศูนยมันลอยอยู่เฉยมันเหมือนกับทุกอย่างมันมันไม่มีที่สัมผัสมันไม่มีที่แตกมันไม่มีไม่มีสิ่งใดเลยไม่มีตัวตนไม่มีอะไรลอยลอยมันลอยอยู่ด้วยตัวมันเองมันไม่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เสร็จแล้วก็คือมันเหมือนกับความรู้บนความไม่รู้ก็คือทั้งหมดต้องปูรณาเพราะ สรุปได้ว่าตัวก็ผมเองก็คงจะน้นําำกล่วยไม่มีความรู้ก็คงจะรู้เรียนรู้ได้เท่านั้น uh huh. นะครับก็าบางเฉินโชคดีหลังก็ได้ท่านเอามาบอกว่าจะ uh huh. ให้มาถามท uh huh. ่านอาจารย์ว่าว่าตรงนี้ตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงมาหาความรู้ทา uh huh. ด้านผมเองไม่ไม่เคยเจะคิดมีเจตนา ว, ว่าจะต้องสําเร็จ จะต้องบรรลุไม่มีเจตนาจะต้องเป็นโสดาฟันไม่มีเจตนาที่จะต้องเป็นอะไรอย้ทัสิ้นแต่อันหนึ่งด้วยตัวผมเองเป็นคนในพุทธศาสนาอยากจะรู้ทําให้ชัดเจนนจะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้สอนลูกสอนคนรุ่นต่อต่อไปว่า น, านาสิ่งที่กําหนดในสิ่งห้าเมือ่อสิ่งห้าที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเนีโดยโดยโดยถ้าเราพิจารณาโดยรอบพ่อแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายปฏิบัติได้โดยไม่ใช่ง่ายแต่เหมือนกับหัวข้อน้อย แต่คุมทุกอย่างเป็นศิลต้นน้ําอันนี้เข้าใจได้ชัดเจนนะคแต่ว่าก็ถึงว่าว่าเวลาเราอยากจะรู้ตัวตนตนเองชาติชาติกําเนิดตนเรียนรู้ว่าจิตวิญญาณของตนเป็นอย่างไรคือที่สุดมันหาคำตอบที่สุดไม่ได้มันเหมือนกับไม่มีไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยสักอย่างครับครับถือตรงนี้พอเป็นหยัดไปเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าอะไรเนื่องจากบารมีไม่รู้ไม่เคยศึกษาวัฒนธรรม ก็เรียนรู้จากหนังสือการสวดมนต์หนังสือสวดมนต์อะไรที่เราจะรู้บารีบา้างก็ตรงนั้นแต่ก็ในหนังสือสวดมนต์ก็ไม่ไม่ไม่ได้บัญญัติสิ่งใดนะครับผมก็เลยก็เลยก็พอหลายเนี้ยนมาก็คิดาา ม, ม า, จจากเลยผมก็เลยมาพบอาจารย์ยังไงเชผมก็ผมจะต้องต้องต้องยอมรับว่าเป็นผู้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆแต่เป็นผู้ที่ ก็ยือเพราะว่าคุณพ่อเองก็สอนตั้งแต่เด็กแต่เล็กมานะฮะให้จาให้ลอกจําให้ลอกจําแต่ในนั้นก็คือเมื่อเราโตมาแล้วเนี่ยก็เห็เป็นพทัทน์เด็นสิ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้สอนให้เรารู้สมาครี่เป็นวิธีหนึ่งที่ทํใรารรรหททให้เรารู้จักการคิจารณานะครับ ก, ก็ใช้สิ่งนั้นมาแต่เราก็จะไม่เจอเพราเด็กๆเราลับลั บ, ล, บลับมาเลยไม่ได้จนมาโตเนี่ยพอเดินเดินไปเห็นเนี่ยเหมือนกับคำคำหนึเงอย่า ในอายุสิบกว่าสิบขวบเนี่ยไม่เคยพบเราไม่เคยพบไม่เคยรู้ไม่เคยคิดแต่สิ่งที่ท่านบรรจุมาเนี่ยก็คือคุณพ่อบรรจุมาให้เนี่ยก็คือการไต่ตรองการไต่ตรองให้รอบข้อแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูเออเราก็ผมเองผมยุ่งจะมารู้นี่ธรรมะถึงมาใช้แก้ปัญหาคล า, ายลดปัญหาคลายลดปัญหาออในชีวิตที่ลำเนียงผ่านมาครับก็เป็นเป็นลักษณะนั้นก็คือจํา ตั้งติเขียนมาก็เหมือนก็น่นาจะเป็นเหมือนกับว่าถ้าเราใช้บาลีเราไม่รู้บาลีแต่วันหนึ่งถ้าเราเจอเราก็จะอาจจะรู้แจ้งในคานั้นก็เข้าใจในสิ่งนี้แต่ที่ผ่านมาไม่เคยศึกษาเลยครับไม่เคยศึกษาในพระธรรมปฐมกิจเลยครับไม่รู้บาลีอย่าทั้งสิ้นนะครับแต่ก็พอที่จะรู้ได้ว่าอย่างส ง, าง่ายนะครับฐานทัพทั้งหนะครับท 5, ับิมาคืออะไร ะจะรู้ว่าจะรู้ว่าสัตว์นันคืออะไรจะรู้ว่าวัดติวัด ต, ต, ต, ตะคืออะไรอย่างนี้ครับก็จะเข้าใจแค่นี้คือคําที่คุณพ่อสอนแล้วก็ให้ลอกให้คัดไทยด้วยเด็กๆให้คัดไทย ล, ลอกๆเป็นประโยคประโยคประโยคให้พิจารณาเรื่องอะไรท่านก็เขียนแล้วก็เขียนขึ้นมาเป็นต้นแล้วก็ให้เราลอกคัดไทยตามไม่ให้ตังไม่ให้ตังซื้อขนมนะครับ อยากได้ตังค์ตรงเ็ไปคัดไถหน้าน ห, หนึ่งก็ยี่สห้ากับตังค์สเลงหนึ่งอยากได้มากกว่าคัดมากก็ให้รู้จำมากก็เท่นานั้นนะครับแล้วก็เก็บมาปฏิบัติเรื่อยๆก็เริ่มศึกษาเนี่ยจากหนังสือที่ให้ไปซีดี ไปฟังก่อนแล้วก็วางวางของเก่าก่อนนะแล้วก็ค่อยๆสั่งสมสุตษะใหม่คำภาษาไทยธรรมดานี่แหละแต่เป็นคำของตาตาพูนะอ่านะนะแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจเข้าใจเชื่อมโยงเรื่องต่างๆขึ้นได้มากเรื่อยๆนะข้อัางขาก็คือลาดับวางนะครับ ไม่รู้ว่าอันไหนหนึ่งอันไหนสองอันไหนสามไม่เป็นไรมจำน้อยๆไปก่อนแค่นั่งรู้ลมหายใจคือตอนเนี้หยุดคิดนะรู้สึกมันจะฟุ้งเยอะไงแต่เราจะฟุ้งเยอะเราก็หยุดหยุดทุกเรื่องก่อนหยุดคิดหยุดอะไรซะก่อนรู้ลมหายใจเข้าออกเฉยๆรู้ลมเข้าลมออกแค่นี้เพราะว่ารู้ลมเข้าออกแค่เนี้ยมันหลุดปนได้ละจากมารวิธีที่พุทช่จ้าสรรเสริญ น, นะเอาแค่นี้ก่อนรู้ลมแล้วถ้าจิตหลุดจากลมไปปุ๊บละความเพลินกลับมารู้ลม เนี่ยทำแค่เนี้ยไปเรื่อยๆซึ่งยมทำแค่เนี้ยยมหลุดพ้นได้แน่นอนเชื่อมั่นในตถาคตว่าเราทำแค่เนี้ยเราหลุดพ้นเราต้องรู้ว่าพรหมจรรย์นี้เนี่ยทำไปเนี่ยเพื่อเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เราจะต้องเป็นอริบุคคลขั้นโสดาบันสากาิทาค้าอนาคามีผลานให้ได้เพราะถ้าไม่ได้คือเราจะหลุดจากสังสารวัฏไม่ได้เราจะพ้นอบายไม่ได้นะโทษของมันมีนะ่ะอ่าเพราะนั้นพระเจ้าเนี่ย เกิดมาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยพ้นจากความเกิดแก่ตายนะความเกิดความแก่ความตายถ้าธรรมชาติ3มอย่างเนี่ยไม่มีพระเจ้าจะไม่ต้องเกิดมาคงเกิดมาแก้ปัญหาเรื่องนี้หลักธรรมคาสอนของศาสดาคือเรื่องนี้เป็นหลักหลักของเรื่องนี้คือฤๅษีเห็นเกิดกับเห็นดับแค่นั้นนะจิตเนี่ยไปเกาะอารมณ์เนี่ยต้อง4อย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังการพระเจ้าให้มาเกาะ อ, อารมณ์เดียวคือรูป ลมหายใจแล้วเวลาไปคิดนึกอะไรรีบทิ้งอย่าไปสนใจวางไปก่อนวางไปหยุดคิดหยุดปรุงแต่งหยุดหยุดยดยุดไปเรื่อยๆนะอย่างเนี้ยกายยะคตาสติอันชนเหล่านาไม่หลงลืมเนี่ยอมตะชื่อว่าเขาไม่หลงลืมได้อมตะแน่นอนนะเพราะว่าความประพฤติเนี่ยเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นเราต้องยันประโยชน์ตนเองให้ถึงพร้อมก่อน แล้วอยากจะแตกฉานก็ค่อยๆอ่านไปสั่งสมสุตตะไปวันละเล็กวันละน้อยเรื่อยๆตีละนิดทีนิดตีนิดมีความสงสัยอะไรเก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรยังไม่รู้วันนี้ไม่เป็นไรสั่งสมไปเดี๋ยววันต่อไปก็ค่อยๆรู้เองอาศัยเวลานะแต่เวลาเราบอกอาจจะเหลือน้อยนี่แหละเหลือน้อยเนี่ยอน า, นาปานาสติเลยนะอ่าสิงห์พุทธาบอก ผลที่เธอหวังได้ในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันคือพระราลันหรือพระอนาคามีบุคคลสองอย่างได้แน่นอนถ้าโยมหมั่นเอาจิตรู้ลมหายใจเรื่อยๆนะจับหลักดีๆพิส์อันและพอละแล้วก็ทำไปทาไปเรื่อยๆนะว่าก็ต้องยึดเอาไว้ใช่ไว่ายึดมายังไงก็ต้องบักใช่ใ่แน่นอนผู้เจ้าบอกต้องมีธรมารโมมีธรรมเป็นที่มายินดีก่อน มีภาวนาราโมมีการภาวนาเป็นที่มายินดีปะหานาราโมมีการประหานกิเลสเป็นที่มายินดีนะมีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีอย่างนี้ถ้าไม่มีความยินดีในตอนแรกอย่างนี้แล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติมันจะมีขึ้นไม่ได้นะ ตอบคำถามให้เช้านี้มีผู้ฟัง212ท่านจากไทยลาวสิงคโปร์ไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงญี่ปุ่นออสเตรเลียอเมริกาแคนาดาอังกฤษสวีเดนเดนมาร์กสหรัฐอาหรับเอมิเรสนะจากหลัก4ีจากที่โรงสอนให้จำคำตถาคตอย่างคล่องปากขึ้นใจถ้าจะพูดตามความเข้าใจก็คือถ้าใครทา ตามท so ่องได้ยังไงก็ได้ปานิพานแน่นอนถูกไหมครับถ้าเหตุปัจจัยอย่างนี้นะก็ใช่คือจํากคำตถาคตได้นะเหตุปัจจัยคือฟังหนึ่งเดือนจนสามารถจําได้อย่างคล่องป่าขึ้นใจแล้วก็แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะแล้วทําไมตถาคตเคยบวชกับพระพุทธเจ้าหลายพระองค์พระองค์ก็น่าจะปานิพันธ์แล้วไม่ใช่หรือครับ ก็ควรพระอาจารย์อธิบายหน่อยนะก็พระองค์เนี่ยตั้งความหวังหรือความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าพระองค์นะเร่งความเพียรจนบรรลุ ธ, ธรรมก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งตัวความปรารถนาของท่านเนี่ยก็ทําให้ท่านเนี่ยมีเหตุปจนะัจจัยต่างๆซึ่งเหตุปัจจัยเนี่ยก็ล้วนเป็นเหตุปัจจัยจากมรรคมีองค์แป ในมักมี่แปเนี่ยมันมีความหลากหลายเยอะแยะใครจะทำแค่ไหนคนนี้รู้ลมหายใจเข้าออกหรือพ้นอ่ะจบไปอย่างอื่นไม่แตกฉานไม่รู้อะไรมากมายอีกคนสั่งสมสุตตะน ะ, ะปฏิบัติ ด, ด้วยสั่งสมสุตตะด้วยได้มากขึ้นมาหน่อยอีกคนเข้ามาสั่งสมสุตตะให้มากขึ้นอีกปฏิจจสุบานอริสัตน ะ, ะทิฏฐิ62ไอ้นนนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะอีกคนมานั่งสมาธินะ ไปอทธิปฏิหารไปลายต่อลายไปอย่างนี้มันแล้วแต่เหตุปัจจัยคือมักมีองคเนี่ยให้ผลไม่เว้นแต่ความเป็นอรันตาสัมมาสัมพุทธเจ้านะนั้นก็ไม่ใช่ว่าคนอยู่กับผู้เจ้าแล้วจะบรรลุหมดสาวกอยู่กับผู้เจ้าบรรลุหมดไหมก็ไม่หมดอย่าว่าแต่เป็นพระพุทธเจ้าเลยสาวกอยู่กับผู้เจ้าก็บรรลุไม่หมดก็มีคนถามผู้เจ้าก็ทําไมผู้เจ้ายังอยู่พร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทําไมบางคนบรรลุทำไมบางคนไม่บรรลุ พู้ชาก็บอกตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเธอบอกทางให้คนเดินไปเมืองราชคฤอคนถึงบ้างไม่ถึงบ้างก็มีแต่ละคนมีอินทรียิ่งหย่อนต่างกันสาวกของผู้าก็มีทั้งดื้อและไม่ดือ้ออินทรียิ่งหย่อนต่างกันในบรรดาหนึ่งในนั้นก็มีผู้พระเจ้าอยู่ด้วยซึ่งปรารถนาจะเป็นผู้เจ้าดังนั้นในผู้เจ้าแต่ละพระองค์ในความเป็นสาวกก็รับได้ไม่เท่ากันนะอย่างนี้ธรรมดา จากปฐุมธานีกระผมมีความสงสัยว่าช่วงระยะเวลาจากภพหนึ่งไปภพหนึ่งไม่มีที่ให้หยุดพักเราถือว่าสัมภเวสีอยู่ในช่วงนี้ด้วยหรือไม่นั่นแหละนะเธอสัมภเวสีนี่แหละอยู่ในช่วงเนี้ยจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งนะยังไม่ได้ความเป็นผูตรัสเป็นระยะที่สแสวงหาพบ ซึ่งระยะก็คือจากที่พูุ้ทธเจ้าเนี่ยอธิบายในเรื่องของการก้าวลงการก้าลงสู่ขันของมันของของวิญญาณนะการก้าวลงสู่ขันมารดานะของวิญญาณเนี่ยถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงนามรูปก็จะปรุงตัวต่อไม่ได้ถ้าวิญญาณก้าวลงแล้วแตกสลาย น, ะนามรูปก็จะแตกสลายนะปรุงตัว ต, ต่อไม่ได้ถ้านามรูปก้าวลงแล้ว เด็กในคันเป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้วนะแล้วแตกสลายอีกนามรูปก็ต้องแตกสลายไปด้วยในการเนียระยะเนี้ยที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นี่คือระยะความนานถ้าเราต้องการว่าระยะความนานนานแค่ไหนของสัมภเวสีจากไทยเพื่อนร่วมงานติดเล่ามากจนเกิดผลกระทบกับงาน มีพระสูตรใดที่สามารถไปแนะนำเพื่อนร่วมงนานท่านนี้ได้บ้างให้เขาอ่านประถมธรรมก็ได้มั้งโทษของความเป็นนักเลงสุลานักเลงการพนันผู้เจ้าจะบอกก็าอาจจะได้สติขึ้นมาบ้างของวันนี้จบมีสลไามา้มีไหมไม่มีอ่านของ เมื่อวานเมื่อวันก่อนบอกว่าเมื่อพระสัสดาปรินิพานไปแล้วมนุษย์เทวดาก็จะไม่เห็นพระสาสดาในทางกลับกันรพระสาสดายังทรงเห็นเหล่ามนุษย์เทวดาหรือไม่หลังจากปรินิพานไปแล้วก็ไปดูในพระสูตรที่โยมขยกขึ้นมาเปรียบเหมือนบุรุษนะยินอยู่ไหลเขามองเห็นห้วงน้าเห็นปลาแหวกว่ายนะ กงหอยปูปลาแหวกว่าเห็นกลวดเห็นอะไรนะผู้ที่สําเร็จแล้วก็จะเปลียนอย่างนั้นนะพระอาจารย์คะมีคําถามคะ่ะที่พระอาจารย์บอกว่าจิตเราเกิดดับตลอดเวลาใช่ไหมคะเกิดแล้วก็พอคิดถึงอย่างอือ่นแล้วก็ไปไปเกิดที่นูดับตรงนี้แล้วก็ไปเกิด<อ>ที่น่นเป็นไปได้ไหมคะว่าในในเวลาเดียวกันก็มีจิตอื่นเนี่ยในขณะที่จิตเราออกไปข้างนอกแล้วก็มีจิตอื่นเข้ามาที่รูปของเราอะค่ะอฮา เป็นไปได้ไหม <c oughs> อ่มุมหนึ่งเนี่ยพระเจ้าบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อได้อัตภาพแล้วเนี่ยได้อัตตาแล้วเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะไม่ได้อัตตาอื่นนะจะไม่ได้อัตตาอื่นดังนั้นเขาก็ต้องได้อัตตาของเขาไปตามแบบของเขาและถ้าสัตว์นั้นเนี่ยได้อัตตานี้แล้วเนี่ยเราเนี่ยได้อัตตาเนี่ย แล้วเราจะไปได้อัตราอื่นไม่ใช่ไม่ได้ยังไงเราก็ต้องได้อัตราตรงนี้ไปันจบแล้วคนอื่นจะมาแย่งเราย่งไงเนื ม, นมคิดในมุมกลับกันนะเราก็เป็นสัตว์โน่นก็เป็นสัตว์ในเมื่อต่างคนต่างได้อัตราแล้วจะไม่มีทางได้อัตราอื่นยังไงนี่ก็ของฉันแน่นอนไม่ใช่ของเธอแน่สิ่งนี้มีจริงไหมคืออะไรผีสิ ง, ส ง, สง ผีสิงในในภาษาไทยเนี่ยจะใช้ในพระธริมดกเนี่ยนะเขาจะแปลว่าผีสิงแต่จริงๆแล้วในบาลีจะใช้คําว่าอมนุษย์เบียดเบียนนะแล้วภาษาไทยก็แปลว่าถูกผีสิงทีงนี้จะเบียดเบียนยังไงก็แล้วแต่เบียดเบียนจีปาถังทีนี้เบียดเบียนในแบบที่ยมคิดว่า มันมีสิ่งอื่นเข้ามาอยู่ในล่างเราอย่างเนี้ยอืมถ้าเป็นไปได้มันจะเป็นไปได้ชั่วขณะที่โยมขาดสติเพราะว่าขณะที่โยมหลุดไปนึกไปคิดไปเพลินในอารมณ์ใดเนี่ยณขณะ น, นั้นนะ่ะรูกไม่มีวิญญาณคลองนรูกไม่มีวิญญาณคลองผู้เจ้าตัดว่าถ้าเธอเอาจิตกลับมาอยู่กับกายเนี่ยมารผู้มีบาปกจะทําอันตรายเธอไม่ได้ ทนี้พิจารณาในทางกลับกันถ้าเธอไม่เอาจิตตั้งอยู่กับกายจิตไปตั้งอยู่ที่อื่นมารผู้มีบาปก็น่าจะทําอันตรายเธอได้ไหมใช่ไหมถ้าฟังจากที่ผู้เจ้าตรัสแค่นี้ว่าถ้าเธอเอาจิตตั้งอยู่กับกายเนี่ยมารผู้มีบาปจะทําอันตรายเธอไม่ได้ยังไงอ่าแต่สมมติว่าถ้ามีจิตอื่นเข้ามาเข้ามาแล้วแล้วเรากลับมามี สติสัมปชัญญะพอดีสองอันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ในนี้เพราะมันก็จะขัดหลักการของผู้เจ้าว่าใครได้แต่ภาพไหนก็ต้องได้แต่ภาพนั้นมันจะไม่ได้แต่ภาพอื่นดังนั้นเวลาพวกผีสงผีสิงอะไรเนี่ยถ้ามีสติปุ๊บหายทันทีนะแตะไ่ได้ของเราคืนมาจนเราตายนั่นแหละนะงั้นเวลา ไปเนี่ยแบบผีโ่งผีเข้าอะไรนะให้หายใจไว้าหายใจหายใจดูลมหายใจไว้เดี๋ยวมันกลับมาเองนะไม่ใช่กรณีถอดจิตได้ไม่เกี่ยวเข้าฌานก็เป็นการทำสมาธินะ เรื่องการจะถอดจิตถอดกายละเอียดออกจากกายายาบนะครูเจ้าเรียกมโนโมยิธิการถอดเอากายละเอียดออกจากกายหยาบเป็นเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์ละซึ่งจะมีจำแนกไว้เยอะแยะซึ่งต้องได้สมาธิก่อนได้ฌาน12ึ่ได้ 1, 2, 3, 4, ไดจตุจารก่อนเป็นจิตที่ควรแก่การงานนะสามารถแทงตลอดซึ่งท่านเป็นเอกน้อมเอาไปทําเรื่องใดก็ได้นะจิตอ่อนโยนควรแก่การงาน นะอ่าเหมือนการทำทองรูปพัรณเนี่ยพอมันหลนทองนุ่มดีแล้วเนี่ยดัดแปลงเป็นอะไรก็ได้อย่างนี้นะแตนี้ <c oughs> คนก็ต้องมีปัญญาฉลาดในการใช้อภินิหารของสมาธินะไม่งั้นก็ใช้ไม่เป็นอยู่ดีนะนั้นเครื่องมือมันพร้อมแต่ใช้ไม่เป็นก็ใช้ไม่ได้นะซึ่งถามว่าใช้แล้วเนี่ยนะแล้วยังไงที่สุดก็ดับ ทำแล้วได้เป็นพระหลานไหมไม่เกี่ยวกันอีกทำแล้วพ้นนรกได้ไหมก็ยังพ้นไม่ได้นะก่อนผู้เจ้าเกิดเขาทากันได้ไหมได้ไหมเขาก็ทํากันได้น่ะมีปริพภาชกหลายคนก็เห็นนรกสวรรค์มีที่ ป, ปฏิหารผู้เจ้ามาเจอฉดินฉดินทําปฏิหารใส่อืมผู้เจ้าก็แก้ได้น่ะพ่นควันใส่ผู้เจ้านึกว่าจะให้ผู้เจ้าตายผู้เจ้าก็ไม่ตาย ทำน้ำให้ท่วมผู้เจ้าผู้เจ้าก็เดินจบกรมบนน้ำนแล้วเขาพ้นตายได้ไหมพ้นตายไม่ได้จนทำอะไรผู้เจ้าไม่ได้ก็เลยขอมาฟังทำคงมีอะไรที่เหนือกว่าผู้เจ้าก็แสดงอริสสีให้เขาเขาก็ละเลิกสิ่งเก่าๆ เ, เขาทั้งหมด น, นั้นโยมต้องแยกแยะไม่ดีๆเรื่องการถอดกายถอดไปแล้วเป็นยังไงเอาไปทำอะไร ก็ตายอยู่ดีไอ้กายที่ถอดก็ตายไอ้กายนี้ก็ตายตายทั้งคู่นะครูจเจ้ามาสอนธรรมะที่ละเอียดปราณีตเล็กซึ้งกว่านั้นคือความไม่ตายนี่แหละที่เทวดาที่มีฤทธ์ก็ทําไม่ได้พลมที่มีฤทธ์ก็พ้นตายไม่ได้นะอ่ามันเป็นอย่างนี้นะ ม, มันธรรมะคนละชั้นกันเลยนะอ่าขออนุากครับอาารย อย่างเราเราดําเนินชีวิตทุกวันเนี้ยนะคะวิญญาณเนะี่ยเกิดดับหลายท้งถูกไหมฮะเกิดดับเกิดดับหลายทา ง, ดดดดลาทางแล้วเวลาเราเรานอนนะะเราหลับนะะวิญญาณวิญญาณยัองอยู่กับเราไหมไม่อยู่แล้วมันจะไปไหนอะ่ะอยู่มันมันจะไม่รับรู้อะไรใช่ไหมมันไม่รับมันก็เป็นธาตุรู้ที่เกิดดับไปเรื่อยๆนะ ดันั้นขณะที่เรานอนเนี่ยมันก็ไปรู้คิดอดีตบ้างอนาคตบ้างไปเกาะเนี่ยเวทนาสัญญาสำคัญเดี๋ยวก็กลับมาเกาะรูปมันจะวนอยู่อย่างนี้เห็นไหม ม, มันก็ทํางานตามภาษาของมันไปอะ่ะเพราะวิญญาณก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างฝันอย่างเราฝันแล้วเหมือนจริงอย่างนี้ก็เรายึดเรายึดวิญญาณเป็นตัวเราไง เวลาวิญญาณไปรู้อะไรมันก็เป็นจริงจังตรงนั้นเพราะลูกตอเนี้มันนอนหลับแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรความเป็นเราก็จะไปอยู่ในวิญญาณเราจะเห็นว่าความความเป็นเราในขันทังห้าเนี่ยวิญญาณคือตัวหลักที่วิญญาณมันจะบนในขันทั้งสี่ที่พระเจ้าตัดไปวิญญาณบนมารูเอ่านอนแล้วุ๊กก็ไม่ตื่นนะ วนไปเวทนาต่อวนไปสัญญาไปคิดอดีตวนไปสังขารไปอนาคตขณะที่กายยังไม่ตื่นมันก็วนอยู่ในอีกสามท่านนะเราก็เลยฝันสนุกเลยไปเที่ยวพอกลับมากายที่เอาตื่นแล้วเนี่ยรู้ตัวก็กลายเป็นความคิดไอ้สามอันนี้ก็กลายเป็นความคิดความนึกไปอย่างนี้อ่ จันครับอยากให้จันอธิบายขยายความเอคําว่ายะถาภูตะสมปัญญาครับจันครับคือยะถาภูตะสมปัญญาเนี่ยเหมือนปัญญาที่ที่เห็นโลงหน้าว่าเนี่ยถ้าได้อย่างเนี้ยจะอย่างเนี้ยนะซึ่งอันเนี้ย <c> ก <oughs> ุ้ยเจ้าก็อธิบายไว้อยู่แล้วก็ จะมีสาวกที่พูดกันเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ม า, อ, าอธิบายมาถกกันโดยสาวกคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยเปรียบเหมือนคนหิวน้ำมาเนี่ยแล้วมาถึงบ่อน้ำแต่พอมาถึงบ่อแล้วโอ้โหมองไปน้ำมันลึกเลยจะเอาไงไงใช่ไหมแต่รู้เขารู้แล้วว่าถ้าได้กินน้ำเนี่ยหายหิวแน่นอนเลยปัญญาตรงนเนี้ยเนี่ยยถาภูตสัมปัญญารู้แล้ว ถ้าได้กินเนี่ยหายหิวเรารู้แล้วว่าถ้ารักษาศีลเราจะไม่เดือดร้อนใจนะปฏิบัติอริสัต4ีมรรคแปดความทุกข์จะไม่มีถ้าเราไม่ยึดมั่นเราจะไม่ทุกข์เนี่ยนั้นปัญญาตรงเนี้ยเรียกว่ายะถาภูตะสัมมัตปัญญานะอ่าท่าบอกเขาว่าถ้าถ้าใครได้ปัญญาตรงนี้หมายถว่าได้เดินสุขสนต์แล้วอืม พอจะบอกได้ไหมอ่ายังไม่ยังไม่เจอผู้ตัวชนะโดยตรงอ่ะนะยังไม่ไม่ไม่เจอโดยตรงอาจจะมีก็ได้นะแต่ถ้าให้ประเมินตรงนี้ก็พอประเมินได้พอจะว่าน่าจะใช่นะเพราะถ้าตรงนี้ก็คือปัญญาที่เขาเห็นแล้วว่าทําอย่างเนี้แล้วจะผลถูกก็คือเริ่มชัดเจนในเส้นทางแล้ว กรบขอการคาราชาญพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ฝังลงไปในสิ่งใดเนี่ยเป็นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณใช่ไหมคะทีนี้โยมอยากเรียนถามว่าถ้าเกิดคนใกล้จะตายเนี่ยตอนนั้นถ้าเขาถ้าเขาไม่ได้นึกถึงการละคันห้าหรือว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่อารมณ์หายใจเกิดจิตเขาเนี่ยรู้ว่าจะตัองจะตายแล้วเขาก็ไปคิดถึงศรัทธาคิดถึงพระพุทธเจ้า แล้วลมหายจะขาดไปเขามีโอกาสจะไปเกิดเป็นอะไรคะ <c oughs> สุติโลกสวรรค์อย่างห น, นะนะนึ่งนะตอนนี <c> ้ <oughs> <c oughs> แล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะรักธรรมพระสงฆ์แล้วลึกถึงในส่วนคำสอนได้หรือไม่นะถ้าแค่ศรัทธาเฉยๆพระเจ้าบอกว่าคนใกล้จะตายเนี่ยนะถ้าเขามีจิตเรื่มใส ในสิ่งที่เขาเริ่มใสาเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์นะนั่นตรงนั้นเป็นอารมณ์ที่เป็นขุส น, น, <c oughs> นะก็ไม่ไปอบายในชาตินั้นไปสุติโลกสวรรค์ทีนี้ก็อยู่ที่เขามีเหตุปัจจัยอื่นอีกหรือเปล่าคือได้สะดับในคำตถาคตไหมได้สะดับก็ไปต่อยต่อ ย, ยอดกันได้ถ้าไม่ได้สดับก็เป็นขุสร์ ท, ทั่วไปนั่นแหละ แต่ก็ไปสวรรค์ดีหน่อยในชาติต่อไปนั้นก็ยังดีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปเกิดเป็นผู้พุทธเจ้าอย่าะไรใช่ไหมไม่ใช่ไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบทํากรรมอย่างใดได้กรรมอย่างนั้นอืมใช่ไหมแต่ต้องทํากรรมอย่างไรได้รับผลของกรรมอย่างนั้นผลของการกระทําตรงเนี้ยจะไปเป็นอะไรอืมอย่างนี้ นิยาทครับเมื่อสักครู่ท่านพระอาจารย์ได้กรุณาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องกามกับการมาคุณ uh huh. คทีนี้ในเรื่องของการมาคุณเนี่ยยกตัวอย่างที่ท่านอาจารย์กรุณายกตัวอย่างว่าในการที่เราได้ฟังเพลงเพราะในการที่เราได้ชมธรรมชาติอันสวยงามในการที่เราจะได้รับประทานอาหารอร่อยในการที่เราจะได้อ่า ชมภาพหรือว่าเพลิดเพลินไปทั้งอายตนะทั้ง6เนี่ยนะครับทั้ง5ทั้งห้าใช่ไหมการมคุณนับแค่5้นับแค่5ครับในในในส่วนตรงนั้นเนี่ยหมายถึงว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่ อ, อการที่เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อทจะให้บรรลุธรรมหรือไม่เราจําเป็นที่จะต้องยกเลิกการที่จะไปต้องไปดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เราจําเป็นที่จะต้องยกเลิกการฟังเพลงนะครับซึ่งเราชอบเราจําเป็นที่จะต้องยกเลิกในการที่จะทเที่ยวชม ต้นน้าลำธารหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ขอขอญาต อ, อ, อยู่ที่อยู่ที่ยมพอใจแค่ไหนถ้าพอใจสสตบัญก็ไปได้ต่อนะยังดูหนังฟังเพลงอะไรได้เพราะกรอบสสตบัญแค่นั้นสกาธาคามีแค่นั้นแต่ถ้ายมอยากจะได้การปล่อยวางที่มากกว่านั้นอยากที่จะมีความทุกข์ลดลงมากกว่านั้นยมก็ต้องปล่อยวางตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกซึ่งก็จะเป็นระดับของอนาคามี ที่วางความพอใจในอายตนะทั้ง5้าของกายได้รูปเสียงกยลิ่นรสสัมผัสถ้าต้องการให้มากกว่านั้นนะหลุดพ้นก็ต้องวางธรรมาลมด้วยทีนี้ถ้าโยมยังเยื่อใยในรูปเสียงกยลิ่นรสแล้วจะหลุดจากสังสารวัฏยังไรจะไปนิพพานบอกยอยากดูหนังอยู่เลยนะอ่ามันก็ไม่หลุดนะเนี่ยเยืยนะ่อใยนะอ่ามีเยื่อใยในรูปเสียงกยลิ่นรสสัมผัส ผูเจ้าจึงบอกให้เธอละความพอใจในโลกทั้งปวงนะแต่โยมก็อยากได้นิพพานน่ะนะแต่ก็ยังพอใจอยู่งั้นก็เอาโสดาบันโสดาบันก็แค่สินห้าโยมก็ยังนะดูหนังฟังเพลงต้องราทำเพลงได้แต่งหน้าตาปากได้เพราะแค่สินห้าและมั่นคงในพระรัตนตรัยถกินซีเราแค่นี้ นั่นถ้าอินทรีเราแค่นี้แล้วยังอยากเป็นอริมุคลก็ได้กรอบอันนี้สี่หน้าให้ดีแล้วกันและมันคงในพระรัตราตายัยอย่าทำวัตโกตุลมงคลอย่าไปเชื่อมงคลตามแบบสมาภารมเราอื่นอย่างนี้ก็เพียงพอขอบคุณครับที่พระอาจารย์ได้แจ้งว่าถ้าเราปฏิบัติศีลหน้านะครับแล้วก็บำเพ็ญปฏิบัติธรรมปรกติแต่ก็ยังมีใยมีเยื่อใยอยู่ใน กามาคุณบ้างนะครับก็จะบรรลุโสดาบันได้บ้างมีโอกาสใช่ไหมครับได้เลยละ่ะและถ้าโยมแต่โสดาบันได้เนี่ยคือท่าโยมแต่พระลานทีนี้ผมก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่ า, เ, าเราจะทราบได้อย่างไงว่าเราแตะบรรุคือถึงพระโสดาบันแล้วมีอโชว์หน่อย <laughs> คู่มือโซดาบันก็เป็นคู่มือซะรวมไม่ให้นะคู่เจ้าเนี่ยฟังป้านนท์ป้านนท์ก็ช่างถามอย่างเลยละรูปนี้ตายแล้วไปไหนคู่เจ้าบอกไปเป็นโซดาบันรูปนี้ตายแล้วไปไหนไปเป็นนาคามีรูปนี้ตายแล้วไปไห น, นไปเป็นพระหลานถามจนพิษต้องเยอะพิสูรหลายรูปถามชาวบ้านต่ออีกอุบาสกคนนี้เราตายแล้วไปไหนอีกเป็นห้าร้อยหกร้อยอยง กูเจ้าบอกไงอานอน์เธอทำให้ตถาคตเกิดความลำบากบอกถ้างั้นเอาอย่างนี้อานอน์นะเธอเอาแว่นส่องทาไปทำบริยายที่เอาไว้ตรวจตนเองนะดังนั้นผูเจ้าจึงวางหลักการในการตรวจสอบตนเองนะว่าเป็นโสดาบันะ่ะดูยังไงนะเช่นเรามีศีลห้าบริบูรณ์ไหมเรามีความหวั่นไหวในพระรัตตรัตายไหม มีสมณะคนใดดึงศรัทธายมออกไปจากผู้เจ้าได้ไหมมีเทพมีเทวดามีพรหมคนไหนเนี่ยดึงศรัทธายมออกไปจากผู้เจ้าได้ไหม <c oughs> ถ้าไม่มีเลยเนี่ยมั่นคงมากเลยเป๊ะอย่างอื่นไม่ทำเชื่อผู้เจ้าอย่างเดียวโสดาบันบุคคลเอาไปเลยนัยยะอื่นก็มีอีกเยอะเช่นว่าความคิด ไปในอนาคตความคิดไปในอดีตโสดาบันไม่กังวนลนลเรียกเรียกปุปปันตานุทิฏฐิการปาลบขันในเบื้องต้นคืออดีตอัปรันตานุทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นที่ปารบขันในเบื้องปลายเย็นนี้หมอดูมาทักโยงบอกว่าเนี่ยอีกสามเดือนจะตายนะโอ้เอาละสมัยอาตมาเป็นนักเรียนเขาสั่งประชุมทั้งโรงเรียนเลยเพื่อมาให้ฟังหมอดูอยู่คนหนึ่งนะ แล้วหมอดูคนนั้นก็พยากรณเพื่อนอาตมาคนหนึ่งว่าเมื่อปีนี้ปีเนี้ยในอนาคตจะถูกยิงตายโอ้โหเครียดเลยนะก <c oughs> ังวลมากนั่งร้องไห้เลยเห็นหมอ่าเนี่ยอัป ร, รันตานุทิฏฐิยึดอนาคตละกังวลเกิดความทุกข์ถ้าโสดาบันไม่นหะ รู้แล้วว่าขันห้าในอนาคตก็ไม่เที่ยงขันห้าอาดีตก็ไม่เที่ยงขันห้าในปัจจุบันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรามีความแปลเปลี่ยนนี่ความเข้าใจอย่างหนึ่งโสดาบันโสดาบันจะเข้าใจว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้ใดบันดาลตนเองบันดาลก็ไม่มีผู้อื่นบันดาลก็ไม่มีการบนบานสารกล่าวจะหมดไปจากสาวกของตถาคตแท้ๆจะไม่มี การบนขอลาผลต่อเทวดาการบวงสวงแก้บนมันจะหมดไปเลยโยมเพราะโสดาบันจะไม่เชื่อว่าใครบันดาลอะไรได้ถ้าพรอมบันดาลได้แล้วใครบันดาลผมให้ไปนรกอะโยมตอบอาตมาไหนที่ใครบันดาลผมให้ไปนรกแล้วพมอยากไปไหมนรกไม่อยากไปเอาแต่ต้องไปแล้วใครเก่งกว่าพรมอีกอันกรรของพรมนั่นแหละทางกายวาจาจิตที่เขาทํามาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช่ไหมเนี่ย นั้นโสดาบันจะเข้าใจในหลักของกรรมเชื่อมั่นในเรื่องของกรรมและกําลังรู้มรควิธีที่จะออกจากระบบของกรรมได้คือมรพิองแปดเนี่ยโสดาบันมีบทอยู่ในนี้นะเราไดอ่านไหมขอบพระคุณครับขออีกนิดหนึ่งครับนะในนามมึงเอินว่าขึ้นมากรุงเทพมาจากจังหวัดชุมพรเที่ยวนี้มีโอกาสขึ้นมาในฐานะของกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสารวิาของโรงเรียนขั้นพื้นฐานหมายถึงว่าโรงเรียนตั้งแต่ะระดับประถมจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6กนี่นะครับอของผมนี่ก็จะเป็นคณะกรรมการของโรงเรียนในอำเภอท่าแซะในจังหวัดชุมพรก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่ามีมีวัตถุประสงค์กับพี่สาวว่าอยากจะนําพุทธวจนะไปเผยแพร่ในสถาบันการศึกษาในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานคือคือคือก่อนที่จะเข้ามาหลาลัยเนี่ยนะครับถึ ง, ถงม .6 เนี่ย อ, อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าควรนำพระสูตรของพุทธทวจนะเล่มไหนหรือว่าสื่อใดที่นำไปเผยแพร่ให้อาจารย์ได้ไ ด, ได้ได้เปิดในโรงเรียนนะครับเนี่ยตัวเล่มก้าวย่างอย่างพุทธเล่ปมปฐมธรรมนะ <c oughs> เพราะมันมีทั้งซีดีแล้วมีหนังสือแล้ว แล้วก็เป็นพระสูตรพื้นฐาน <c oughs> ง่ายๆที่ควรจะรู้ <c oughs> ควรจะทราบนี่ในข อ, อยาดอีนิดนึงที่นี้ในในลักษณะของบุคคลทั่วไปคือ อ, อย่างที่เรียนพระอาจารย์ทราบว่าผมเป็นกำนันตำบลท่าแซะแล้วมีวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้นโยบายของในตำบลท่าแซะเนี่ยให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนำพุทธว จ, จนะไปเผยแพร่นะฮะทีนี้ก็ตั้งใจที่จะกลับไปก็จะประชุม ผู้ใหญ่บ้านทั้งทั้งตำบลแล้วจะนําพุทธวจนะไปให้ผู้ใหญ่บ้านได้กรุณาเผยแพร่ครับเล่นไหนดีครับยังไงครับกระตุ้มทำเลยนะอ่ากระตุ้มทำนะี <c oughs> ่แหละมาตรฐานมีทั้งธรรมะแบบคารวาสธรรมะเพื่อการหลุดพ้นนะพูดได้ว่าเล่มเดียวครบเลยหลุดพ้นได้นะพกไปเล่มเดียวเนะี่ยแล้วก็สอนให้เด็กนะศึกษาอยู่ในเล่มเนี้ยนะอ่า <c oughs> ขอประคุณครับนี่น่าจะได้ได้มาร่วมกันนี่นั้นเนี่ยกำลังจะจัดประกวดท่องพุทธวัจนะตามโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยไหนโฆษณาหน่อยิขออนุญาตโฆษณาสั้นๆค่ะ <c oughs> คือคือขออนุญาตโฆษณาว่าตอนนี้กลุ่มเรากำลังจะจัดแข่งขันเยาวชนทั่วประเทศท่องพุทธวัจนะชิงั่วยรางวัลแล้วก็เงินรางวัลนะคะ การแข่งขันจะจัดขึ้นในปีหน้าตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มมูลนิธิพุทธโคดกําลังรวบรวมอาสาสมัครจํานวนมากเข้ามาช่วยงานนะคะทุกๆ ท, ท่านถ้าถ้ามีความสมัครใจเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่มูลนิธิพุทธโคดนะคะซึ่งงานจะมีหลายๆฝ่ายหลายๆแผนกซึ่งสามารถเลือกได้ตามความถนัดก็ขอให้ส่งความจํามงเข้ามาซึ่งสามารถรับงานกลับไปทํำที่บ้านได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นโครงการใหญ่ ต้องต้องอาศัยอาสาสมัครจำนวนมากแล้ววันนี้จะมีประชุมอาสาสมัครที่วัดเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงก็เลยขอโอกาสถ้าถ้าทุกท่านท่านใดที่คิดว่ามีเวลาอยู่ฟังได้ก็ขอเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะขอบคุณค่ะชิงรางวัลเงินแส น, นเผเผยรับถ้วยนายกด้วยเมื่อวันเมื่อกี้ที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่อง ที่ให้เยา ว, วชนทำอะไรนะฮะแข่งขันท่องพุทธวัจนะค่ ะ, คะสมมุติว่าผมกลับไปชุมพรวันนี้แล้วก็ไปพูดกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยค่ะได้แล้วขั้นตอนต่อมาคืออะไรคือจะต้องมาสมัครคือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวระเบียบการและใบสมัครเนี่ยเรากำลังคิดว่าจะส่งไปให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศนะคะเน็นเ่งแต่ว่าจะแลกเปลี่ยนเบอร์โทรไม่จบม้วนเดียวสงสัยโทรถาม วันเดียวจากกันไปแล้วไม่เจอหน้ากัน <laughs> ที่ติดต่อกันไหมหลายหลายคนนะประชุมที่ห้องประชุมส่งนะคะน้อยได้เกรือกายชุมพร อ, อีกที่หนึ่ง <laughs> เก <'t>? ็ประสานยมกุ้งยมอะไรอ่ะอ่าเนี่ยกสองคนยมเอยมเอสกับยมเออ่าน่ ตอนนี้ต้องปลูกตั้งแต่เด็ก ๆ, ๆเลยนะแล้วก็เอานำ้ำวุ้นเป็นตัวอย่างนะทีมเด็กอีกสิบยี่สิบคนที่เขาฝึกกันได้ตอนนี้นะ เกี่ยวกับเรื่องที่กาลังกล่าวกันอยู่นี้นะคร mm ับ hmm. ท่องกสูตรนนี่ผมก็อยากกล่บว่าจารย์ว่าอยากเรียนถามในส่วนของจาคะเน mm hmm. ี่ยอือเกี่ยวกับเรื่องนี้ญาที่ทําเนี่ยโทรไปที่บ้านขอความเชื่อเหลือขอให้เป็นกับการตัดสินะการท่องกระสุนนี่พวกเองก็ไม่รู้จักชื่อแต่จําได้จําเสียงได้เพราะเสียงพูดเมื่อักครู น, คนเนี้ยคุกคเนี้ยโทรไปหาที่บ้าน เดี๋ยวโทรไปร้ผมไม่อยู่อยู่ในส่วนไม่ได้รับติดต่อในวันลุกขึ้นก็มาไถ่ถอนดูว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้นะผมเองเนี่ยผมได้เขียนลงในใบแจ้งข้อมูลว่าผมขอปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทุก้นในวันนี้ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแต่ญาติที่ทก็โทรไปนะ ผมก็อยากเรียนถามพอาจารย์ว่าในส่วนถ้าเกิดรู้อยู่แล้วะว่าจะเขาจะจัดยังไงรู้อยู่แล้วแต่ผมเรียนยังสงสัยในตัวไม่เองอยูยว่าคำวมาจาคะเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไ ม, ไม่ใช่ไม่สนับสนุนพระอาจารย์หมายถึงว่าไม่รับไม่รับไม่รับไม่รับเป็นช่วยเป็นกรรมการเนี่ยในส่วนของจาคะของเสียขาเนี่ยจะพร่องไปไหมก็ไม่เป็นไรในโย่วนะเพราะว่า ตัวจากฆ่าในระดับที่ละเอียดปราณีตลึกซึ้งขึ้นเนี่ยคือการจากฆ่าในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ขันธ์หน้า น, น, นั้นมันมันปราณีตขึ้นมาแล้วนอืม่เท่าตอบไปเสร็จนี้ก็ไม่ไม่ไม่คล่องในเรื่องจากฆาตัวนี้อันนี้มันแล้วแต่สิใครจะถนัดใครจะไม่สอนก็ได้พระปัจเจกบรรลุแล้วไม่สอนก็ได้ จะว่าพระปฏิจเจกผิดก็ไม่ได้แต่ถ้าใครบรรลุแล้วถ่ายทอดบอกสอนสัตว์ทั้งหลายก็ได้หลุดพ้นตามนั้นอย่างสัมมาสัมพุท ธ, ธาก็บรรลุแล้วก็จะถ่ายทอดบอกสอนและคำถ่ายทอดบอกสอนนี้จะตั้งมั่นอยู่ได้อย่างไรตั้งมั่นอยู่ได้เพราะมีคนเนี่ยช่วยกันทรงจาแล้วก็ถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆถ่ายทอดไป เขาเพิ่ัฒนาการเข้า ใ, ใจแล้วครับเป็นเป็นคำถามสบายๆนะอาจารย์ครับ <c oughs> คืออีกหกวันอฮะอีก6กวั น, นถึงวันที่ยี่สบเอ็ดเดือนสิบสองปีหนึ่งสองอ่ะ <c oughs> <c oughs> ที่เขาพูดว่าไอ้จะมีะโลกจะแตกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ <c oughs> มีคำพีใบเบิลมัพูดไว้เยอะผมไม่ทราบว่า <c oughs> ในในของพระพุทธเจ้าท่านท่านมี มีพยากรณ์อะไรตรงนี้ไว้บ้างหรือเปล่าอาจารย์ครับไม่มีอ่ะในขั้นต้นยังอยู่ไปได้อีกหลายแสนปีนะอีกหลายแสนปีถึงจะมียุคฝนแรงนะพืชพันธุ์ต่างๆก็จะล้มตายเป็นจำนวนมากแล้วก็อี ก, การนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สองก็จะปรากฏนะวยหนองคองบึงจะเกิดแห้งโอ้ยคนยังอยู่ไปอีกนานเป็นละล้านปีแล้วนะ นับอะไรนะกบคำที่หลุดจากปากผู้เจ้าไงพูดหลุดออกจากปากผู้เจ้าเมื่อไหรอ่อ่ะจากนี้ไปนะอีกหลายแสนปีเนี่ยใช่ไห ม, มนี่ผ่านมาสองพันกว่าปีเองกระจิ๋วหนึ่ง <c oughs> โอ้โหนานเกิดต้ยหลายรอบ จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มามาเกิดนี้จริงจริงหรือเแค่ไหนก็ค่ะก็อยู่ที่พระเจ้าเราเคยพูดไหมว่าตอนนี้เราเดินทางมาที่สองพันห้าร้อยปีคือขึ้นทางออืก็อีกปีที่ห้าพันจะมีจริงนั่นแหละพระเจ้าพูดมไหมพระเจ้าไม่เคยพูดคําว่าห้าพันปี <c oughs> แต่พระเจ้าเคยพูดว่ามีพระเจ้าองค์ต่อไปเนี่ย ชื่อนามว่าเมเตยะจะมาตรัสรู้เมื่อมนุษย์มีอายุยืนขึ้นถึง 80,000 ปีครั้งหนึ่งรอไปเถอ ะ, อ จ, ะจากร้อปีเนี่ยต้องลดไปเหลือ10ปีก่อนจาก10ปีต้องตีขึ้นไป 80,000 นะไม่ต่ำกว่า91กลบับนะกับนึเนี่ยนานขนาดไหน ภูเขาหินแท่งทึบยาวสิบหกิโลกว้างสิบหกกิโลสูงสิหกกิโลร้อยปีบุรุษเอาผ้ามาลูบทีหนึ่งอีกร้อยปีเอาผ้ามาลูบอีกทีหนึ่งทำอย่างนี้ทุกร้อยปีจนภูเขาหินแท่งทึบนี้ราบเรียบนี่ยังไม่ถึงกลับเลยแต่อีกไม่ต่ำกว่าเก้าสิเอ็ดกับมนุษย์ถึงจะอายุยืนถึงแปดหมืนปีอีกมันนานไม่ละยมเลยโอ้ยไม่ต้องเปนึกเลยเรื่องพระเจ้าองค์ใหม่เนี่ยเนี่ย พอทำนี่คือว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิอะค่ะแล้วมันมีการแผ่เมตตาให้กับเทวดาอยากจะว่าเทวดาเนี่ยสามารถปฏิบัติทํามได้เหมือนมนุษย์ไหมนี้มันเกี่ยวอะไรกับแผ่เมตตารเรอแล้วไปถามว่าเทวดาปฏิบัติทําได้เหมือนมนุษย์มย้อนมาถามคําถา ม, ถา ม, ถามที่สองเลยก็ได้ไม่ต้องไปพ่วงกับแผ่เมตตา หรือว่าแถมเทวดาได้รับไหมหน่อยก็ต้องก็ต้องได้รับได้อ่ะเพราะถา้าผู้เจ้าบัญญัติก็ต้องมีผลแม่นิดหน่อยก็อาจจะมีผลนะส่วนเทวดาเนี่ยปฏิบัติธรรมได้เหมือนมนุษย์ไหมก็ปฏิบัติได้นะพัฒนาตัวเองจงนกระทั่งปเรณิพานได้น่ ะ, นะครับอาจารย์ครับอาที่ว่า พระศรีระยะเมตไตรจะมาอีก91กับน so so like so ี่ไม่ไ okay. ม oh. ่ใช้91กับนะมากกว่าอมากกว่า91แล้วที่ที่เขาบอกว่ากัปนี้เป็นพัทรกัปที่จะมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แล้วพระพุทธเจ้าพระโคดมเป็นองค์ที่4อย่างนี้ใช่เขไม่ใช่พุทธวจนะก็ใช่อยู่เรื่องเรื่องพัทลกัปนี้เนี่ยแต่ยังไม่ได้สรุปให้แน่ชัด ตรงนี้ต้องดูให้ดีอีกทีเพราะว่าคนที่พูดเรื่องพระเจ้าตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้ใช้พุทธวจนะไงะก็เลยใช้คําสาวกกับคำพระเจ้ามาปะปนกันเยอะแยะเราต้องตรวจสอบแล้วก็แยกแยะอีกทีว่าพระเจ้าตัดถึงพระเจ้าองค์ก่อนเนี่ยแค่ไหนกี่องค์กันแน่แล้วตัดถึงพระเจ้าในานาคตกี่องค์กันแน่นอ่าต้องไปดูพุทธวจนะอีกทีหนึ่งครับทีนที้ผมสงสัยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของลักษณะมหาบุรุษนะครับอืที่ที่เคยมีบอกว่าผมเคยฟังมาเรื่องว่า พระพุทธเจ้าจะมีจอมกระมองอันนี้ อ, อันนี้ก็คงไ ม, มไม่มีนะครับเพราะผมดูดูในหนังสือซิกเล็มก็ไม่มีมมมครับขอบคุณครับ อาจารย์ครับท่นนี้รครับพระอาจาย์คร uh ับ huh. ผ, ผมจะมีแง่คิดความเห็นประเด็นที่ฟ uh ัง huh. ฟ่ามาสักนิดหน่อยนะครับอ uh huh. อืยิ่งหลายสัปดาห์มาแล้วเด็กได้คุยกันเรื่องของสัมประเวสีสัตว์เนี่ยนะฮะเพราะวสัมประเวสีสัตว์เนี่ยถ้าเป็นถ้าเราคิดว่าจิตดับจากรูปรูปหนึ่งแล้วไปหารูปใหม่หาพบใหม่เนี่ยมันก็ช่วงแกว่งวิบเวียนท่านเองแต่ท่านพระเจ้าบอกว่า มีมีมีสูดพระส่วนหนึ่งที่อนุเคราะห์กับสัมปไวส์สัสต์และธิริศสัตว์ก็แสดงสัมปไวิ์สัตต้องมีช่วงเวลาที่แน่นอนระยะหนึ่งเหมือนกันที่จะพอจะรับกุศลตรงนี้ได้ตัวนี้ปัญหาว่าจะตีความว่าสัมปไวส์สัตมีมีเวลาเท่าไหร่เนี่ยเราคิดว่ามันแป๊บเดียวว่าที่ว่าจิตดับจะดูจิตตรงนี้ดับจิตตรงต่อไปก็เกาะพบใหม่ในทันทีเนี่ยเอ่อผมอาจารตีเข้าใจอีกแบบหนึ่งนะครับทีเสนอพระอาจารย์ลองลองพิจารณาดูว่า คือเราไปคิดถึงเวลาของพบเราเท่านั้นเองจริงจริงแล้วในสังสารวัฏเนี่ยมันมนีพบตั้งเยอะแยะแล้วเวลาในแต่ละพบก็ไม่เท่ากันดังนั้นสมมติว่าเทวดาเนี่ยจะจุตินะฮะจุติแล้วจะมาปฏิสนธิใหม่ในพบมนุษย์หรือจะลงนรกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแก็บเวลาของใ น, ในพสวรรค์อาจจะนิดเดียวแต่เวลาในโลกมนุษย์นี่มันอาจจะนานมากในใ น, ในพบอื่นก็จะต้องนานต่างๆกันนั้นแก็บเวลาตรงนี้มัน มันก็มีความต่าง ก, กันด้วยจะไปคิดว่ามันดิดเดียวเนี่ยเทียในพบอื่นยาวกว่าอ๋อไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใชป่ประเด็นนี้ต้องแยกอย่างนี้เพราะว่าที่โยมพูดพบเนี่ยมันหมายถึงในด้านอัตรานะอัตราที่ได้มหาบุต ธ, ธาสีซึ่งมันก็จะแยกเวลาต่างกันอย่างเช่นมนุษย์ก็ร้อยปีนะยุงก็กี่วันก็ว่าไปอัตราสาเร็จด้วยใจ ซึ่งเป็นเรื่องอัตราในส่วนรูปอย่างเดียวอย่างนี้ว่ารูปนี้เป็นรูปอันเป็นทิพย์จะมีอายุเท่าไหร่ส่วนวิญญาณยังเกิดดับเหมือนเดิมแล้วก็เกิดดับรวดเร็วอย่างผู้เจ้าบอกเหมือนเดิมสัญญาสังขารยังเหมือนเดิมเทวดาได้รูปสําเร็จด้วยใจก็ยังคิดนึกปรุงแต่งไปเรื่อยอย่างนี้เหมือนเดิมเกิดดับจิตเกิดดับตลอดวิญญาณคลองอยู่ในอัตราที่สําเร็จด้วยใจวิญญาณไปคลองอยู่ในอัตราที่สําเร็จด้วยสัญญาก่อจะตาย เป็นล้านปีนั่นคือล้านปีนะคือช่วงของอัตราที่เป็นรูปอันสําเร็จด้วยใจหรือสําเร็จด้วยสัญญาอย่างนี้แต่วิญญาณเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลานะดังนั้นตัวภพเนี่ยไม่ได้ไปทำลายหรือเปลี่ยนแปลงระบบการเกิดดับของวิญญาณอันนี้มุมหนึ่งนะครับไม่ผมหมายความว่าถ้าเกิดดับจะพบ <c oughs> พบหนึ่งแล้วไปสู่พใหม่เนี่ยเวลาของพบที่หนึ่งมา พ, พบที่สองเนี่ย ม, มันไม่เท่ากัน จะไม่เก็บเวลาตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่ว่าเราคิดว่าแป๊บเดียวอาจจะในพบหนึ่งอาจจะนานก็ได้มีเวลาที่จะเป็นเป็นสัพเวสีสัตว์ที่จะรับบุศรนี่นี่แหละนี่แหละที่กําลังอธิบายอันเดียวกันเพราะว่าเราเชื่อมโยงตัวตัวความนานตรงนั้นน่ะว่าเป็นเหมือนความนานของการดับของวิญญาณแล้วหายไปวิญญาณดับปุ๊บหายไปแสนปีนะเพราะไปเทียบเวลากับพบเทวดานะแต่จริงๆวิญญาณก็เกิด เกิดดับอยู่ตลอดวันตลอดคืนอย่างพระเจ้าตรัสอย่างเนี้นะฮะและ้วทีนี้ว่า <c oughs> ในความนานๆขนาดไหนเนี่ยก็พระเจ้าก็อย่างที่ยกเรื่องที่พระเจ้าอุปมาในเรื่องของการก้าลงของวิญญาณที่ก้าวลงสู่ขันอันเนี้ยที่3ามระดับว่าวิญญาณจะก้าวลงหรือไม่ก้าวก้าวลงแล้วแตกสลายแล้วเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงแล้วเ <c oughs> นี้ยมันก็อาศัยความนานนิดหนึ่งเราก็เลยเห็นว่า ที่มีมุมในเรื่องของการบอกความนานของการได้อัตภาพได้อัตตาเนี่ยก็คือความนานตรงเนี้นะอย่างนี้เพราะว่าในการได้พบเนี่ยจะหมายเอาวิญญาณไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใช่ไหมหมายเอาตรงนั้น อ, อีกประเด็นนึงนะครับเมื่อกี้ที่คุณพี่ได้พูดถึงเรื่องปฏิหารเนี่ยนะครับก็ว่า ข้อสังเกตที่เราเห็นทั่วไปก็คือว่าพระเจ้าเล็กก็ใช้ทรงใช้ปฏิหารหลายครั้งโดยเฉพาะยิ huh. ่งในการที่จะทรมานเ่ uh huh. ทรมานชะดินสามพ <Sure. S 1> ี่น้องอะไรเงี้ย <Sure. S 1> จนจนเชื่องพ uh huh. ที่มารับฟังคำสอนได้ <Sure. S 1> อย่างเงี้ยนะฮะ uh huh. ก็มีหลายๆครั้งที่พระองค์ใช้ก็ใช้อย่างได้ผล uh huh. อะไรนะฮะตอนนี้ในส่วนส่วนที่ว่าต่อสาวกเนี่ยเราก็จะได้ไ ด, ได้ได้ฟังได้เห็นพระสูตรที่พระองค์ทรงตาหนิพระทวาช ที่เหาะขึ้นไปเอาบาดไม้ที่ยอดยอดต้นไม้ที่เศษฐีจะไม่ได้เมืองอะไรแล้วตำหนิว่าทำดังนี้เหมือนกับมาตุคามเผยของรับพระรรฐวัชร์ก็โดนตำหนิมากแล้วก็ดูเหมือนว่าพระองค์คงจะไม่ให้ไม่ให้สาวกแสดงอิทธิปฏิหารนะครับแต่ว่าผมว่าผมก็มีข้อสังเกตบางอย่างว่าบางทีก็ไม่ใช่ไม่ใช่รอปเซ็นททีเดียวนะครับ ผมไปข้อสังเกตว่าอันที่หนึ่งในกรณีของพระธวาชชานั้นความจริงพระโมคคานะร่วมอยู่ด้วยแต่เกี่ยงกันหอกขึ้นไปนะฮะงั้นพระโมคคานะก็มีจิตที่แสดงอิทธิปฏิหารกันริ่มกันแต่พระโมคคานะไม่ถูกตำหน่งในกรณีนี้เพราะยังไม่ได้แสดงไงไม่มดแสดงแต่มีจิตอยู่นี่ฮะใช่ใช่สเร็จสําเร็จด้วยสําเร็จด้วยทางจิตอยู่แล้วแต่ศีลที่บัญญัติเนี่ยคุมกายกับวาจาไม่ได้คุมจิตเนี่ยครับครับอ่า ก็ก็ใช่อยู่แต่ว่าแต่ว่าก็ถ้าจะห้ามกันบอกว่าก็่าจงทตันตีมฆะการด้ดยแต่มันไม่ได้ตนตีพารัตวาชะไม่โยนเห็นไมไม่โยนโอ้ยโมกะลานะบอกผมมาเใ็หมยอมรับผิดคนเดียวบีครับใช่บีไปอีกประเด็นหนึ่งครับคือคราวที่พระพุทธเจ้าเหาะขึ้นไปนั่งบน เสียงของพระพรมพโมกณะเหาะตามขึ้นไปเหาะนั่งบนเสียงด้วย <c oughs> ถ้าห้ามสาวบกแสดงก็ต้องห้ามพระโมกณะไมใ่ให้เหาะขึ้นไปออออืือออออแต่พระองค์ก็ไม่ได้ห้ามแตงว่าท่นานอนุญาตพระโมกณะให้แสดงฤทธิ์ได้กะคนที่มีฤทธิ์ด้วยกันครับเวลาเข้ามาถามอดีตอนาคตกับผู้เจา้าผู้เจ้าถามว่าเธอรู้อดีตไหมไม่รู้เธอรู้อนาคตไหมไม่รู้งั้นเราไม่พยากรณ์ให้เพราะเราไม่ยังความพอใจให้กันและกันทั้งสองฝ่าย แต่นั่นพรมกำลังคิดว่าไม่มีพิสูนรรูปใดเลยมาที่นี่ได้โอ้โ ห, โโหเยอะมากนะผู้เจ้าก็ไปปึ๊บลูกศิษย์ผู้เจ้าที่นั่นไปปึ๊บปึ๊บปขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้น <c oughs> อันนี้กับคนที่มีความสามารถดังนั้นเวลาคนมีความสามารถรู้ดีอนาคตผู้เจ้าจะพยากรณ์ให้เขาอย่างเนี้ยผู้เจ้าให้หตุผลว่าเพราะเราจะยังความพอใจให้กันและกันทั้งสองฝ่ายได้ว่าอ๋อทาได้จริง ร, รู้จริงไม่งั้นคนคนนั้นจะเชื่อไปฝ่ายเดียว ถ้าคนนี้รู้อดีตไม่ได้แต่ผู้เจ้าพยากรณอดีตได้ดไดคนนี้ก็เชื่อไปฝ่ายเดียวครับตรวจสอบตนเองไม่ได้ออย่างนี้มันมีมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมจำเองจำพระสูตรก็ไม่ได้ไม่ได้บรรณานาแล้วแล้วก็ ว, ว่ามีคลาวหนึ่งเนี่ยมีพระพระสูตในผมจำไม่ได้ว่าเมืองอะไรวัดอะไรเกิดความท้อแท้ต่อต่อพรหมจารยีนี่นะฮะเป็นเป็นเป็นกระแสกันเสร็จแล้วพระเจ้าก็สั่งให้พระโมฆะคณะเนี่ยให้ไปจัดการเรื่องนี้ พรานั้น <clarify> ก็ไปแสดงฤทธิ <frick in> ์ให <ina ajud> ้เกิดเหมือนกับบ้านเหมื่อเกิดอาเพศอะไรเงี้ยพิสุก็เกิดความบันไหวขึ้นมาแล้วก็ต้องมาเข้ามาหาพุทธเจ้าอะไรก็เพื่อที่จะกลับใจของพระพิสุเหล่านั้นอพวกคณะไปแสดงฤทธิ์คราวนี้เนี่ยพระเจ้าก็ไม่ได้ตำหนิเลยซะน้อยออืแต่พระสูตรไม่มีการตำหนิพระพวกคณะพระพวกคณะเลยนะฮะเอ่อไม่ก็ข้อสังเกตที่ผมมีก็คือว่าการห้ามพระพิสุห้ามสาวกแสดงฤทธิ์เนี่ยไม่ใช่ร้อยซ็นทีเดียวอาจจะมียกเว้นในกรณีของพระโวกคณะ พรมคณะได้รับได้รับการยกย่องอพูดให้ให้ใหใหสาวกทั้งหมดรู้ว่าพระมคเนี่ยเลิศทางผู้มีฤทธิ์มากอเป็นในเชิงยกยอ่องเหมือนยกย่องพระเสรีบุตรว่าเลิศในทางปัญญาพระนุษย์มีพยาโสด ม, มีอะไรนะมีท่านผู้น้องนะแล้วก็ยกย่องว่าพระโมคณะเนี่ยเป็นผู้มีฤทธิ์มากเามันก็เป็นการยอมรับไกๆว่าใค้ ย, ยอมให้พรมคเนีในการที่จะแสดงฤทธิ์ได้เป็นบางครั้งบางคราวอ อก็คือเขาสังเกตเป็นว่าห้ามเพาห้ามสาวกแสดงฤทธิ์แสดงต่อพระรัตธวาชะนั้นไม่ใช่ร้อยเเซ็นทีเดียวอ่าไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือคือเป็นอย่างนี้คือเรื่องของการแสดงฤทธิ์ในกรณีพระรัตวาชะโยมดูการปรับอาบัติเนี่ยปรับอาบัติทุกกฏซึ่งเป็นอาบัติที่เบาที่สุดใชและอาบัติที่เบาที่สุดเนี่ยถ้าไปดูผู้เจ้าก็ถ้าสงพึงนั่นก็เพิกตอนได้นะ ในมุมของการเพิกถอนก็อนุญาตไว้ในเรื่องของการเพิกถอนนะนั้นอาบาตทุกกฎในเบาที่สุดอยู่แล้วนะเป็นอาจารย์และโคจรละสัมปันานาะสิ่งที่ว่าด้วยมารยาทและโคจรใช่ไหมนั่นนี่ก็มุมหนึ่งแต่ถาว่าผิดไหมผิดนะแต่ผิดกับใครบ้างนะถ้าแสดงกับแสดงอุตริมนุสธรรมกับพระด้วยกันผิดไหมไม่ผิด แต่ถ้าแสดงกับอนุปัฏฐำบันถูกปปบัดอ่าอย่างนี้ใชนั้นก็จะมีมีมีลำดับมีอะไรต่ออะไรไปละเอียดลอะอ่อย่างเงี้ยอ่าก็จะแบ่งแยกแยะเอาไว้นั้นตรงเนี้ยคนคนนั้นก็ต้องใช้การดุลพินิษฐ์พิณาเองว่าจะมีช่องยังไงนะที่จะหลบไปได้นะถ้าจําเป็นต้องใช้ก็พิณาในกรอบครูเจ้าละอนุปัฏฐบันไหมนะอ่าเป็นอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมถ้าไม่ โดนตรงนี้มีช่องไปได้ก็ทําอย่างนี้นั่นกระพรม่มปุ๊บไ ม, ไม่ไม่มีปรรดาเลยอย่างนี้อ่าแล้วนี่เป็นการดึงภิกษุมาปุ๊บเนี่ยโมกะลานะแสดงปุ๊บไปภิกษุอุปสมบัติได้กันกลับมาได้ทั้งหมดอย่างนี้อ่าก็จะมีกรณีอย่างนี้มีช่องก็สิกขาบทผู้เจ้าเนี่ยมีช่องให้หมดน่ะถ้าเราศึกษาละเอียดปุ๊บเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยขึ้นยอดเี่แหละ มีทางออกให้ไ ม, ไม่ไม่ปิดจนตันแบบว่ากระดิกไม่ได้ยังสงสัยสภาวะสีศัตนิดหนึ่งอาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าคือดวงจิตสุด ท, ท้ายไปเกาะอัตภาพดใดก็ได้อัตภาพนั้นนะครับคันนี้คันนี้คอมกเกาะมาเกาะลงในในมนุษย์และไม่ปุงมไม่ปุงตัวจิตก็จะดวงนั้นก็จะ แต่ด้วยก ร, รมที่ทำมันก็คงต้องไปเก อ, อันอื่นเลยผมม อ, มองว่าไอคําว่าสมัยศิษเนี่ยแก๊ปมันนิดเดียวเองใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเพราะนั่ น, น ท, ที่เข้าใจกันว่าสมสมเวษีทั่วไปเนี่ยมันคงไม่มีมันจะแก๊ปจะสั้นมากมันคือที่เข้าใจกันส่วนใหญ่เนี่ยไปเข้าใจเป็นด้านรูก ป, ประทัดก็คือคือการได้อัตราแล้วน ะ, นะเป็นวิญญาณร่องลอยเนี่ยไม่มีใน การจะไปได้วิญญาณล่องลอยเนี่ยมันก็คือสัมบเวสีที่จังหวะช่วงจะไปได้ตรงนั้นแต่พอได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยได้อัตราแล้วได้แต่ภาพแล้มีแก่เจ็บตายมีความโลภ ก, กดหลงมีขันท่าอยู่ครบอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นก็คือแก๊บมันจะสั้นนิดเดียวฮนะแทบไม่มีใช่ไหมนะครับท่นี้มันอาจจะเป็นช่วงช่วงยาวได้ก็คือเข้าออกแล้วเกิดออกไปที่ใหม่แล้วก็ออกอีกอระอย่างเงี้ยอ่ามันก็เลย เลยดูว่าช่วงในการในการเข้าการออกสมมติว่ า, าผู้หญิงคนนี้มีคันวิญญาณก้าลงไม่ก้านี่หนึ่งละอ่ะรอไปวิญญาณอีกรวมก้าวก้าลงปุ๊บแตกสลายวิญญาณใหม่ก้าลงแตกสลายยังไม่เป็นนามรูปยังไม่ปรุงเป็นเด็กชายเด็กหญิงสักทีปรุงเสร็จแตกสลายละ ดวใหม่จับเข้าไปปรุงสะพานแตกสลายแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ปรุงต่อไปปรุงทีละขยับขยับเพราะถ้าจิตแตกปุ๊บหยุดปรุงนํารูปปรุงตัวต่อไม่ได้จนทั่งมาเป็นเด็กชายเด็กหญิงอยังแตกสลายได้แต่พอเลยกว่านั้นปุ๊บเนี่ยไม่แตกสลายดังนั้นตรงเนี้ยช่วงเนี้ยที่มีความยืดหยุ่นได้ในลักษณะช่วงนี้เด็กอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเนี้ยดังนั้น ระยะเวลาตรงเนี้ก็ควรจะพอจะนับได้ว่าเป็นระยะของการสแสวงหาที่เกิดอืมอย่างนี้พระอาจารย์ครับผมว่าถ้าในกรณีเดี๋ยว ค, คือถ้าต้องเข้าใจบ้เข้าใจตรงกันนะครับว่าสัตว์ตัังที่หาพบก็คือเป็นสัมพษษษษษ uh ัติ์สัตว์เม่ได้พบแล้วก็เป็นผู้ตษษัดส uh ั huh. ในกรณีของเด็กเนี่ยนะครับ เ, เด็กในในเด็กที่เป็นประกดเพศชายเพศหญิงได้ก็จะลาเลิกกันหยุดขันประมาณ3ามเดือนเนี่ยนะฮะช่วงนี้ในทางการแพทย์ก็ต้องถือว่าโอกาสที่จะแทง้ทงมีโอกาสมาก น, นั่นแสดงว่าการการปรุงตัวระหว่างวิญญาณกับนามรูปตรงนั้นเนี่ยมันคงไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์งั้นถ้าเกิดแทง้งไปเนี่ยสัตตนางที่กาะวิญญาณได้พยายามมาเกาะรูปนาตัวนั้นเนี่ยก็น่าจะต้องหลุดไปด้วย<ช>แล้วสมมุติจะจ ะ, จะมาปรุงตัวกันใหม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สัตตนางตัวเดิมแล้ใช่ ต้องไสัตานาตัวใหม่มาหาใหม่แล้วไอ้ตัวนั้นตัวเดิมคุณไปหาพบใหม่ได่อยไปแล้วฮะจะมารออีกเดือนสองเดือนอะไรนี่คงไม่ใช่่ชเพราะตัวเองละความพอใจไปแล้วครับอ่าดังนั้นจะได้สัตนางตัวหนึ่งสองสามนี้ก็แล้วแต่ดวงแลครับแล้วแต่ละใช่ครับใช่ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครั้งคือได้ฟังพระอาจารย์พูดถึงว่าในการที่จะศึกษาธรรมะหรือบรรลุธรรมเนี่ย เหมือนดังผูิชอนที่เรานั้งอยู่ในห้องเนี้นะครับอาจารย์เน้นว่ายึดขึ้นอยู่กับอินทรีย์ใช่ไหมครับออินทรีย์แต่ละคนไม่เท่ากันคืออินทรีย์ก็คือวิทยาสติสมาธิปัญญาอันนี้คําว่าพละห้า ก, ก็ก็เหมือนก็เหมือนกันาาใช่ไหมมีศึกษาวิยาสติปัญญาตอนนี้จะใช้ต่างกันยังไงอ่ะอินทรีย์าหา้ากับพละหา้าอินทรีย์เนี่ยมันจะแตกรูปไปอินทรีย์เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ มันจะมีการเชื่อมกันเหมือนกันในระดับหนึ่งแล้วก็แตกออกไปอีกกำลังของพระเสขะนะกำลังของอคนที่ยังไม่ใช่พระเสขะมีแค่ไหนอย่างไรจะมีแตกลูกออกไปอินทรีย์อินทรีย <c oughs> ์คืออะไรบ้างนะในพื้นฐานเนี่ยจะเหมือนกันคือศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิปัญญาจะมีอีกอันหนึ่งนะเช่น กำลังคือสัทธาฮิลิโอตาปะวิลเลีปัญญานะตัวกําลังแตกลูกออกไปกละเพื่อแตกลูกไปมุมอื่นอีกนะและอินทรีย์ก็แตกลูกไปมุมอื่นอีกแต่มีเชื่อมกันได้เหมือนกันตรงนี้อีกอย่างเนี้ยอฮ <c oughs> ตรงนี้ก็เลยเลยมีการแยกแยกเอาไว้ ไปดูแล้วก็เหมือนกับการปฏิบัติทางโลกเหมือนกันนะการเรียนหนังสือหรือการเล่นกีฬาเนี่ยะะอินทรียก็ไม่เท่ากันบางคนเล่นเดียวเดียวก็เก่งใช่ไหมฮะบางคนฝึกมาตั้งห้าหกปีแล้วก็ยังได้แค่เนี้ยใช่ไหมฮนะขึ้นอยู่กับอินทรีย์เหมือนกันใช่ไหมเราเทียบเคียงนี้ได้ที่ผมไปอ่านในพุทธวจนะก็มีอินรีห้าศรัทธานี่ก็หมายพราะว่าศรัทธานในพระคุณพระธรรมพระสงฆ์โซตาปฏิพันยางขั้ศีใช่มีศรัทธาต้องมีศรัทธาตัวนี้เลยใช่ไหม ใช่ใช่ถูกต้องสัทธาวิริยะก็หมายความว่าสัมมาประธานสี่ฮะใช่ต้องมีวิริยะในสี่ข้อนี้นะฮะัทธาวิรยาสติก็หมายความว่าสติประทานสี่ใช่นะฮะสมาธิก็คือฌานสี่ฌานหนึ่งฌานทั้งสี่ฌานทั้สี่ใช่แล้วก็อันสุดท้ายก็ปัญญาก็คืออริยสัจสี่ถูกต้องแสดงว่าอินซีถ้าเรามีสอย่างนี้นะ ถ้าเรามั่นคงในสีแ่แต่และแต่ละข้อมันจะมีข้อละส4 4ี่สี่ๆมาอันนี้ถือว่าอินซีแก่กล้าก็สำเร็จได้เร็วใช่คือพ้นได้อ่าเช่นก็ไมา นมัสการพระอาจารย์ครับอสอบถามเรื่องการทําสมาธินิดหนึ่งนะครับผมตอนนี้พยายามนั่งสมาธิแล้วก็ลดในเรื่องของจิตอกุศล น, นะครับแล้วก็พยายามดูลมหายใจนะครับเข้าใจว่าก็กําลังลุ้นชา้น1นึ่ะครับเข้าใจว่ากําลังลุ้นชานหนึ่งทีนี้มันจะมีช่วงที่ก่อนนอนนะครับเหมือนกับจะขึ้นชา้นสได้คือไม่มีวิตกวิจารณ์นะครับมันจะนิ่งๆก็คือ เหมือนกับสัตว์ทั้งหกมันจะเริ่มเหนื่อยหรือไงไม่ทราบมันง่วงนอนไม่ทราบช่วงเวลาสั้นๆตรงนั้นมันเหมือนกับจะขึ้นไปชานสองหรือเปล่าครับอาจารย์หรือว่ายังไงมันเริ่มไม่มีวิตกวิจาร์มันเริ่มนิ่งๆแล้วมันก็สั้นๆแล้วมันก็หลับไปแล้วก็่ว่อะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นวิจารหนึ่งสองสามสี่มันต้องรู้ตัวตลอดไงต้องอาศัยความรู้ตัวที่จะให้จิตเนี่ยวางจากอกุศลวางจากอารมณ์ต่างๆไปเรื่อยๆ แสดงว่าอก่อนช่วงก่อนหลับนิดหนึ่งเนี่ยมันเลิกคิดแล้วมันไม่มีวิตกวิจารณ์แล้วตรงนั้นก็คือมันเข้าไปแล้วแต่พอลึกไปกันนอีกนิดหนึ่งคือมันหลับแล้วมันเลือมมันไม่มีสติแสดงว่ามันหลุดออกมาใช่ไหมครับอือครับแสดงว่าถ้าจะออยู่ฌานสองนานๆก็ต้องมีสติดูมันตลอดไม่ให้มันหลับมันไม่จําเป็นจะต้องมาทําเวลาหลับเนี่ยนั่เวลาตื่นก็ได้ไงครับ ถ้าเราสายช่วงเวลาหลับเออกเออจังหวะเนี้ยมันไม่คิดดีนะครับก็ <laughs> เลยค้างเลยทีนี้เดี๋ยวก็ไม่หลับอ๋อฮครับก็คือมันมันนิ่งที่สุดช่วงนั้นออ <laughs> ช่วงที่ตั้งใจนั่งจริงมันไม่ค่อยนิ่งครับมันอฮมันมีวิตกวิจารณมันคิดเป็นโน้นคิดเป็นนี้ไม่เป็นไรไม่นิ่งเราก็แค่ลากความเพลินกลับมาลากความเพลินกลับมาแล้วก็ทำแค่นี้ครับคืออย่างเงี้ยลาความเพลินกลับมาไปเรื่อยๆอ๋อต้องใช้เวลาถึงจะเข้าไปที่ฌานสองได้ ก็จะไปถึงชาญสีก็คงต้องนานใช่ไหมครับอินสีคือเป้าอย่าไปตั้งเป้าว่าต้องได้ชาญหนึ่งสอสามสีตั้งเป้าว่าต้องได้บรรลุอ้โครับและการได้บรรลุคือจิตนิ่งในระดับใจก็ได้เนี่ยแล้วก็เห็นเกิดดับยังต้องตั้งเป้าว่านิ่งเห็นเกิดดับจิตอยู่กับที่เห็นเกิดดับเนี่ยทําแค่เนี้ยเสร็จแล้วมันจะไปสู่ชาญหนึ่งสองสามสีแล้วเรื่องของมันนแล้วขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอถามต่อจ้ะ พี่คนนั้อนะในชั้นหนึ่งเนี่ยในปฐมฌานเนี่ยคือทุกอย่างอยู่ครบอยู่ในปฐมฌานเลยใช่ไหมตั้งปิติสุกเอกสัตตาแล้วก็เสียงไม่เป็นอุปสรรคอทุกอย่างนี่อยู่ในชั้นหนึ่ง<ช>วิตกวิจารนั้นในชั้นหนึ่งเนี่ยเราก็มีปิติมีสุขบางทีก็สลับกันไปสลับก<ช>ันมาแล้วบางทีปิติมันเกิดมันก็ดับแล้วมันก็สุกบ้างมาันมาคิดมาไปติดตึงนึงเรื่องอวิตกวิจารบ้าง ใช่ไหมฮมันก็จะกลับไปกลับมา่นี้ต่อเมื่อขึ้นจานสองก็ค่อยละพิตกวิจารใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องในชาติหนึ่งอยู่ครบหมดอ่าครบหมดขอบพระคุณครับ สูตรยังไงหมดความพอใจก็สิ้นทุกนติยาอาสติอาคติคตินาโหติเมื่อการน้ําไปไม่มีการมาและการไปยังไม่มีอาคติคติยาอาสติทุตุปปโตนหติเมื่อการมาและการไปไม่มี การเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีประตูปากปาตะอสติในวิถีนาหูลังนาัาหูพยัพมันตเรเมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มีอะไรๆก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่ า, างของโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกขศันั่นแหละคือที่สหนึ่งโลกเ่า อาจารย์ครับพราะสูวนนี้ไปถึงอะไรครับหมายถึงอาการของจิตอาการของจิตที่มีการมาการไปอย่างเนี้ยนะถ้าจิตเนี่ยไม่มีการน้อมไปเนี่ยมาไปจะไม่มีแสดงว่าขนาดจิตที่มีมามีไปเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันวิ่งไปคิดโน่นเดี๋ยวกลับมานี่เดี๋ยวไปโน่อนอย่างเนี้ยมาไปนั่นแสดงว่าการน้อมไปมีน้อมนติน้อมไป นติก็คือตัวตัณหานั่นเองที่มีการน้อมไปอยากเข้าไปสู่อารมณ์หรือภาวาตัณหาภาะวะคือพบนะตัณหาคือตัณหาในการสแสวงหาพบอยากได้พบดัง <c oughs> น, นั้นถ้าจิตไม่มีมามีไปเนี่ยพูะุทธเจ้าบอกนั่นแหะจะเป็นที่สุดของทุกข์เพราะขณะที่จิตไม่สร้างพบใหม่และก็เกาะ อ, อยู่พบเดียวตรงนี้เมื่อกายแตกทาลายปุ๊บเนี่ย จิตหรือวิ ญ, ญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ <c oughs> หลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้เนาะพอเข้าใจนะขอบคุณครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อบอยครับชื่อบอยอบอยในบางทีมีคนถามในสาราแล้วบอยเขาตอบเลยนะเคยตอบอยู่ทีใช่ไหมใช่ข้อสตรตอบอ แสดงว่าฟังคำถามนั้นเข้าใจแล้วบอยก็ตอบด้วยพระสูตรแทนเนี่ยเอาคำถามสั้นๆตรงนี้นิดหนึ่งนะจากสุราธานีผู้ถามได้ศึกษาพุทธวจนะจากพระอาจารย์อย่างตั้งใจจริงจัง ได้รับงานอาสาสมัครช่วยงานกลุ่มผุ้ทวจนะด้วยการสั่งสมคำตถาคตเสพครบมากๆน้อมนำมาปฏิบัติการเปิดทําที่ถูกปิดและล้างทุลีในดวงตาอย่างแท้จริงสิ่งนี้เองหากเราได้ยินได้ฟังคำสอนของสาวกคนใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะจากในสื่อทีวียูทูบหรือที่ใดเราก็จะสามารถทราบได้เองว่า คำสอนนั้นเป็นพุทธศานหรือไม่และจะสามารถนึกถึงพระสูตรต่างๆออกมาแย้งได้โดยอัตโนมัติวงเล็บอย่างเรื่องกูเป็นโคนและหากมีโจ์มีการโจ์กันไปกันมาการวางอุเบกขาในจิตของเราก็จะเกิดขึ้นและละกุศลในจิตได้อย่างดีและเข้าใจถึงคำว่าอินทรีย์ของคนไม่เท่ากันจริงๆ และสุดท้ายขอถามพระอาจารย์เรื่องเดียวว่าการวังอุเบกขาละนันทีในจิตของเราสม่ำเสมอไม่ว่าจะมีสิ่งใดมากระทบและจะเอาจิตมาไว้ที่กายคือลมหายใจหากมีสัญญาเก่าๆโผล่มาก็ทิ้งทิ้งไปทําอย่างนี้สม่ำเสมอถูกต้องแล้วใช่ไหมก็ถูกต้องแล้วถึงแม้ว่าจะมีบางคนบอกว่าเราเป็นคนขี้ลืม ความจริงเรื่องบางเรื่องเราไม่อยากจำมากกว่าโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมานั่งอธิบายหากสิ่งนั้นจำแล้วไม่เป็นอกุไม่เป็นกุศลทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมนะก็น่าจะถูกแล้วเพราะการทิ้งความคิดต่างๆก็คือการทิ้งภพนั่นเองพระองค์บอกว่าพรหมจรรย์นี้เป็นไปเพื่อการละขาดซึ่งภพ หน่อยหนึ่งก็บอกว่าการสำรวมินซีมีในหลายพะสูตรการนั่งคู่ขาเข้ามาได้รอบเก็บมือเก็บขาก็คือการสำรวมินซีแต่ถ้าเอาตามที่สัสดามัญญัติ ยุคนี้สมัยนี้จะได้ยินการสำรวจมินซีอยู่เหมือนกันอ๋อเรื่องการสำรวจ ม, มีทั้งสำรวจทางกายวาจาแล้วก็จิตนะดังนั้นใครจะพูดในส่วนไหนก็ได้กรุงเทพมหานครการเล่นหุ้นเป็นการพนันหรือไม่ต้องการกระทําต้องมีลักษณะอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการพนัน ไปดูเรื่องนักเลงการพนันที่พูะเจ้าตัดไว้ในประมปะมธรรมนะลองกลับไปดูตรงนั้นจากซอยลืชาผีคำว่าผีสงเคราะห์ในขติห้าใดก็ผีไม่มีในพุทธวจนะบทพัฒ น, นะเนี่ยมันเป็นบทพันชนะของไทยพูะเจ้าจะบัญญัติไปเลยว่าเปรตวิสัยยักษ์หน้าคนทันอสูรคลุดน ะ, ะวะลาหกนะ ต่างๆเหล่านี้เทวดาชั้นไหนชั้นไหนก็จะบัญญัติชี้ลงไปเลยไอเราเรียกรวมคำว่าผีลรวไม่รู้ผีมันคืออัตภาพอะไรกันแน่กายที่สำเร็จด้วยสัญญาเป็นอย่างไรพกได้อากาศาขึ้นไปกายของพวพสันนรลเป็นอย่างไรนะได้ส่วนของมหาพุทธะทาสี่นะ <c oughs> โอ้โห oh, อันนี้ยาวเป็นหน้าเลยเนะี่ย <Yeah. S 1> เอาไว้ก่อนโอ้โ oh, ห oh, <Yeah. S 1> สองหน้าเลยนะี่ยโอ้สามหน้าด้วยโอ้ oh, <Yeah. S 1> สี่หน้าโอ้ hmm. oh, <Yeah. S 1> เดี๋ยวอ่านไม่ไหวเอาไว้ก่อน <laughs> นานเกิน่ามีประเด็นอย่างอื่นไหมหเชินได้ใกล้เวลาแล้วจะได้ไปพักกันอ๋อหน้านี้เหรออ๋อของโยมเหรออ๋ออ๋อ อ่าดีก็ได้เล่ามาแล้วนะได้เล่าอ่าได้ถามมาแล้วอ่าเาเปลี่ยนถาันยากมระว่าต้องกวกว่ากว่าไม่รู้กาจกำนดใช่ใช่ใชพอเริ่มจะกำนดทำมันก็แตกออกไปเร่อยออกใช่ใช่ใช่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องยากเรื่องการบัญญัติปดเพินขนาดพระศาสดาพระองค์ยังบอกพระองค์ยังต้องละมัน เรมันระวังอย่างยิ่งเลยขนาดผู้เจ้ายังต้องระวังเลยโอ้โหแสดงว่ามันเป็นไรที่ไม่ง่ายเลยญญเรื่องการบัญญัติบเประทานเป๊เป๊ะคำผู้เจ้าถึงสละสลวยไงอสอดรับกันเชื่อมโยงกันทั้งหมดอย่างนี้โดที่ผมยังต้องรับจัว่าภาษาคือการใช้ภาษาวิจิตรการใช้ภาษาของพระเจ้าเนี่ยคือภาษาอพรุองรงกหนดไว้แล้วร่องต่าดีะรคือเวลามาภาษา อย่เราไม่ได้เข้าใจประโยคชน์พัฒกิจแต่เรารู้เพียงหนึ่งคำแต่อาจจะมีความเราอาจจะมีที่จะได้ว่ามันเป็นประโยคแบบนี้แต่พยายามที่จะเขา้าใจอธิบายเท่าไหรมันก็ไม่ ก, ออกรอบมันคือมันบิดโยงไม่ได้คือยิงไทยภาษาพยายามทำให้สั้นมันก็ยิ่งทำไม่ใช่แล้วมันต้อง เ, ต, เติดจะติดตรงนี้อีกใช่ใช่ใช่นี่แหละเราถึงต้องมาใช้คํำผู้าทั้งหมด แล้วถ้าเราแต่งหนังสือเองอะไรเองเนี่ยมันจะมีคําผิดรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาตลอดเลยแต่หนังสือที่ทําเนี่ยจะไม่มีคําอัตมาไม่มีคําสาวกไหนก็ไม่มีเราจะเริ่มรู้แล้วว่าสาวกเนี่ยพูดเองไม่ได้ละต้องพูดจากสัญญาการทรงจําคําตถาคตละค่อยๆพูดไปนะครูเจ้าจึงบอกเนี่ยถ้าพูดไม่ตรงก็คือเขาจํามาผิดพระเนี่ยจํามาผิดหลักมหาประเทศสี่ก็ใช้อย่างนี้อ นั้นบัญญัติเนี่ยออกจากผู้เดียวคือสัพพัญญูออกจากปากสัพพัญยูผู้เดียวที่เหลือจำเดินตามนะืะนรับ่็เป็นโอกาสของผู้ผู้ยิงในในรับนะฮะเป็นชอย่ากเข้าใอย่างผมเนี่ยดูห้าสิบตัวคือเราคือผมเีผมผมคือไมไ่เคยได้อ่านได้ศึกษาไม่เคยได้รู้แล้วก็เวลาไปจากติทมาคือฟังฟัง ความจนเบื่อแล้วก็ไปวัดจนเบื่อมันกันเพราะว่านสิ่งที่เราเราเราคิดในสิ่งนึงแต่เราก็จะพบเจอแต่สิ่งนึงใช่อย่างที้ีการปฏิบัติคือทให้คือบางวัดจะคือทำให้หลงเบื่ไปเลยต้องต้องเริ่มใหม่นะต้องเริ่มใหม่จากพุทธวัจนะขนาดพระอย่างที่ท่านาอยู่ที่สวีเดนนะท่านาอยู่มายี่สิบกว่าปีท่านาเียริ่มใหม่เลยเคลียร์นะบางลูกอยู่30ปีเริ่มใหม่เคลียร์ใหม่ เย่านี้อ่าแล้วแต่จังหวะใครมาเจอตอนไหนนะแต่จังหวะแต่โดยทั่วไปก็เป็นโดยสภาพนั้อเป็นไปโดยชน์สภาพนั้นก็คือก็คือวิธีการเป็นตัดก็คือจจะเป็นการเลี้ยงบาลีบ้างในเช่นกันทําการก็แก้กรรมไม่ได้แก้เลยกรรมก็ต้องแก้โดยการทําด้วยมือก็คือต้องควรจะต้องแก้ด้วยมือแต่ไม่ใช่การทําด้วยมือแก้โดยวาจาก็ กตส่วนใหญ่ก็คือกทรทำการทำด้วยมืก็เป็นแค่ดุอาชาที่มโนรชดเชยกันนี่หมายความว่าการสอนศาสนาไมรูรรร้ ป, ปฏิบัติธรรมนะไม่ให้คุณพูดธรรมะกปต่างประเทศกันใช่ใช่ไม่ไหลค่อยๆแก้ไปอ่า อ, อ, อ, อ, อะไรนะ แล้วอะไรนะอ๋ออ๋ออ๋อจากไหนนะอืมอืม มีเพิ่มไหม่อไม่มีเนาะอ่า่ยมงมงแล้วก็เดี๋ยวได้ไปพักทานอาหารกันก็กอนอนุโมทนากับพวกเราทุกคนเนาะที่ได้มาสังสมสุตตะในคำของตถาคตก็ขอให้เป็นบริษัทที่เลิศที่เรียกว่าปฏิบุจรชาวินีตาปริษาโนโอกาจิตวินีตานะก็ให้พวกเรามีความเจริญในธรรมของตถาคตประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม และก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการนั้นใกล้โดยทน้าการทุกท่านทุกคนเตือน